ได้รับคํานิมนต์นของทางสำนักงานด้วยรเรียนไทยในเยอรมนีนะครับลกลุ่มบรียนแห่งนี้นะครับคน mm hmm. นี้ก็ต่อเนื่องสืบเนื่องจากเมื่อวานครับท่านคือว่าเราได้ชวนน้องๆักเรียนทุนรัฐบาลที่ในเยอรมนีนะครับที่สนใจที่อยากจะมาฝึกจิตใจนะครับแล้วก็เอาเวลาจากเอาเวลาของตัวเองออกมาจาก การเรียนที่วุ่นวายนะครับในชีวิตประจําวันเพื่อได้มาสํารวจตัวเองแล้วก็ได้มาฝึกขัดเกลาจิตใจในช่วงสองวันนี้นะครับน่าจะเป็นเวลาที่ไม่มากแต่ก็ยังเพียงพอนะครับที่ให้น้องๆได้มีประสบการณ์ในชีวิตดีๆแบบนี้นะครับเมื่อวานทางคุณกุณาก็ได้กลณาชี้แนะทางเรื่องเป้าหมายชีวิตและให้น้องๆได้สํารวจตัวเองไปล้ส่วนหนึ่งรวมถึงว่าได้มีคําสัญญากับตัวเองนะครับที่จะ สัญญงตัเองว่า3ามปีข้างหน้าต่อไปอยากจะเป็นอะไรอยากจะเห็นอะไรกับตัวเองนะครับวันนี้ก็สุดเนื่องกันก็คือเมื่อสักครู่ผมก็ได้กลับาร ก, กับเรียนท่านว่าน้องๆหลายคนนะครับในที่นี้ก็จริงแล้วทุกคนมาตัวคนเดียวทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเมื่อมาถึงที่นี่แล้วก็ต้องการปรับตัวแต่หลายคนเพิ่งเข้าสู่ระดับการศึกษาปิญญาตรีนะครับหลายๆคนอยู่ ปีเอกแล้วก็เราจะเข้าปีเอกก็ประสบปัญหาต่างๆกันไปนะครับก็วันนี้ต้องกับรัชการท่านนะครับท่านประอาจารย์ไพาลนะครับอา่าสืบเนื่องจากหนังสือที่ท่านได้ต่งขึ้นด้วยนะครับว่ า, าทําเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสเชื่อว่าท่านคงได้มีประสบการณ์มากมายนะครับเพื่องอข้อคิดทางธรรมที่จะให้ทีนะีให้กับเยาวชนรุ่นหลักนะครับต้องกับรัชการครับ แก่อนที่หลพ่อจะได้แสดงทําให้พวกเราเนาะครูก็อยากจะให้เราตืน่นตั้งใจในที่เรามีเป้าหมายแม่จ่ะเรามีเป้าหมายแต่ว่าการเดินสู่เป้าหมายเนี่ยนะเราจะเจออุประสะรรคเยอะมากอย่างที่บอกเป็นบทที่สูงบททดสอบเนัน้เวลาที่เราจะเดินเชื่อสู่เป้าหมายเนี่ยเราต้องการหลักคิดหลักธรรเพื่อ เพื่อเป็นสัตยาในตัวเรานะที่เราจะเดินทางได้อย่างมั่นคงแล้วก็สงบข้อนี้ในระหว่างที่หลวงพ่อแสดงธรรมกูก็อยากให้พวกเราคา่อยค่อยนึกถึงธรรมที่ได้รับเนี่ยกับชีวิตที่เราใช้อยู่แล้วถ้ามีความรู้สึกว่าตรงไหนไม่เข้าใจนะก็ก็เก็บได้ก่อนไม่เข้าใจหรือว่า อยาอยากเข้าใจอะไรเพิ่มเติมหรือว่าไม่หนูเพว่ายังหาทางไม่เจอเนี่ยพวกเราจะได้มีคำถามหลัจากที่หลวงพ่อได้สดงธรรมสักล่มหนึ่งอยากให้พวกเราได้ได้ฟังอย่างที่เราต้องกระจ่างมันเนี่ ย, อยเพื่อเป็นเพื่อเป็นสิ่งที่เราสามารถยึดได้ในชีวิตของเราในช่วงนี้นะเพราะเราอยู่ไกลผูค้คนแล้วมีอะไรเนี้ยให้ถามเลยถึงแม้ ว, ว่าหนูพ่อจะ ดูแบบว่าเงียบๆแต่จริงๆหลวงพ่อใจดีมากค่ะครูคก้าวบอกเลยสิบปีที่ที่ได้เป็นลูกศิษย์ท่านเนี่ยท่านใจดีมากๆว่านะคะอยากให้พวกเราเตรียมคำถามเพื่อให้เราใช้ชีวิตอย่างมั่นคงแล้วก็เข้าใจกับชีวิตให้มากที่สุดเพื่อเดินไปสู่เป้าหมายของเราจะ่ะค่ะนั้งก็กอกลับนิมนนะคะ ขอเจริญพอ ท, ทุกท่านนะวันนี้ อ, อยากให้เป็นการสนสนามากกว่าการแสดงธรรมเพราะว่าการสนทนากันน่าจะทําให้เราได้เรียนรู้ทั้งจากตัวเราเองจากเพื่อนๆด้วยนะีไม่ใช่เฉพาะจากที่อาตมาจะมาเล่าให้ฟังเอาคนอื่นก็ต้องออกตัวก่อนนะอาตมาไม่เคย ไม่เรียนหนังสือที่เมืองนอกนะแต่ว่ามีประสบการณ์ที่เมืองนอกพอสมควรเพราะว่าก็เคยมาอบรมมาสัมมนาไม่ใช่แค่อทิตย์หนึ่งอทิตย์สองอธิตยนะ์แต่เป็นเดือนนะแล้วก็แต่ประสบการณ์ที่ว่านเนี่ยก็คงจากเทียบไม่ได้กับของพวกเราซึ่งมาอยู่ในเมืองนอกอย่างเยีมคนถึงแม้จะไม่มี ประสบการณ์ในการเรียนต่างประเทศนะแต่ตมาที่ว่าเรื่องการเรียนไม่ว่าที่ไหนก็ตามรวมากที่เมืองไทยเนี่ยมันก็มีความเหมือนกันไม่มากก็น้อยในสถานะของค น, คนที่ผ่านการเรียนอย่างเข้มข้นที่เมืองไทยเนี่ยถึงแม้ว่าจะาไม่ใช่เป็นเด็กที่ขยันเท่าไหร่ ตอนมาเรียนปริญญาตรีที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะนมาเรียนสปีครึ่งนะที่ครึ่งหนึ่งที่มันโผล่ขึ้นมาเพราะว่ามาใช้เวลาอยู่ในต่างประเทศนะอยู่ฝรั่งเศสนะสามสี่เดือนนะแล้วก็ประสบการณ์อันหนึ่งก็คือว่าตลอดทั้งถ้าไม่นับปีหนึ่งนะ ตั้งแต่ปีสองถึงปีสครึ่งเนี่ยอาตมามีสมุดเลคเชอร์อยู่เล่มเดียวจดบันทุกวิชาอยู่แค่เล่มเดียวเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้าห้องเรียนทั้งที่ตอนที่เป็นนักเรียนเนี่ยทีสัมชัญเนี่ยเรียนเรียนได้คะแนนดีนะแต่ว่าพออยู่ที่พอเข้าเรียนมาวิทยาลัยแล้วมันก็มีประสบมันก็มีเหตุการณ์อะไรอย่างที่ทำให้ ไม่สนใจการเรียนนะเพราะว่าตอนนั้นบ้านเมืองมันวุ่นวายแล้วก็คิดว่าเราเป็นนักศึกษาเนี่ยควรทำอะไรให้กับบ้านเมืองมากกว่าที่จะมาเรียนเพื่อตัวเองแต่ว่าทั้งที่ไม่ค่อยได้เข้าห้องเรียนเนี่ยมมา ก, ก็สามารถที่จะประคองตัวให้เรียนได้บางวิชาได้คะแนนไม่ดีนะแต่มีวิชาหมวดหนึ่งที่ได้คะแนนดีมากทั้งที่ไม่ค่อยเข้าหงเรียนเลยคือวิชาประวัติศาสตร์ วันที่สามเนี่ยตมานี่อย่างต่ตําๆนี่ก็่ได้ดีบวกนะนะแล้วก็ร่องนั้นก็เป็นเอไม่ค่อยได้เข้าโ้องเรียนนะแต่ว่าถึงเวลาที่จะถึงเวลาจะสอบก็มาติวกันติวติ ว, ตวเองนะไม่มีไม่มีไม่มีเพื่อนมาช่วยแต่มาพูดว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้อ่าทำให้ ทำให้สามารถที่จะเรียนไปได้แล้วก็ไม่ว่าโดยเพราะในช่วงที่เรียนที่โรงเรียนนะแล้วทำให้รู้สึกว่าการเรียนไม่ใช่เรื่องยากส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเชื่อในเรื่องของฉันทะาฉันท้าเนี่ยมันแปลว่าความชอบนะถ้าเรามีฉันท้าแล้วเนี่ย การเรียนเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องเสียเรียดมันจะกลายเป็นเรื่องที่สนุกนะอาตมาเนี่ยเรียนหนังสือจําได้ว่าเรียนหนังสือเรื่องอะไรสำชัญเนี่ยเรียนด้วยความเครียดมาตลอดจกนกระทั่งในช่วงสาปีสุดท้ายก็คือมศสองสามสีบายนั้นมันมีมศ .5 ไม่ใช่ม6 พบว่าการเรียนบรรยากาศเรื่องสนุกมากขึ้นเพราะหนึ่งคนเรรู้ว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยถามตัวเองว่าเรียนเพื่ออะไรก็คิดว่าเรียนเพื่อเอาคะแนนแต่หลังพอมาถามตัวเขาจริงๆเขาบอว่าเออเราควรน่าจะเรียนเพื่อเอาความรู้มากกว่าพอเราคิดว่าความรู้เนี่ยคือถึงมุมหางการเรียนเนี่ยคะแนนก็เป็นเรื่องรองและพอพบว่าคะแนนเป็นเรื่องรองเนี่ยมันเป็นความกดดันไปได้เยอะเลยคือว่า ยังไงก็ได้แต่ขอให้แต่ยังไงก็ได้ไม่แปลว่าไม่เรียนนะแต่มันเรียนด้วยจุดมุ่งหมายที่ใหม่ก็คือเรียนเพื่อเอาความรู้และพอเรียนเอาความรู้ให้มันสนุกแล้วมันเริ่มสนุกและการที่การเรียนของตัวเองมันก็ขยายไปสู่ไม่ใช่ในในวิชาเรียนมันขยายไปสู่ห้องสมุดนะอยากรู้อยากเห็นมากนะ แล้วมันก็ขยายไปสู่วิชาถึงด้วยไม่ใช่เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นที่เป็นวิชาที่ตมาชอแต่มันขยายไปสู่วิชาสัมศาสตร์มันมันมันไปเองนะมันเกิดความขยันเองมันไม่ต้องเชี่ยวเข็นน่ะสาเหตุก็คือว่ามันอยากรู้พออยากรู้แล้วเนี่ยความรู้เนี่ยก็คือรางวัลที่ได้ มันไม่ใช่คะแนนเมื่อกฎาลที่คุณเรียนไม่เอาคะแนนนี่นะคุณจะทุกข์มากนะแต่เมื่อกฎาลที่คุณเรียนเพราะว่ามุ่งหวังความรู้เนี่ยมันจะสนุกนะแล้วคุณจะไม่กลัวความยากเพราะว่าความยากเนี่ยถ้าคุณเพราะในการที่เจอเรื่องยากๆเนี่ยมันทําให้คุณมีความรู้มากขึ้นนะมีแนวคิดมุมมองที่ ที่หลากหลายกว้างขวาง ม, มากขึ้นนะและอาตมาก็ใช้สันทานเนี่ยในการที่จ ะ, ะพาตัวเเข้าไปเรียนรู้ไม่ใช่เมื่ออยู่ในหมาหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ว่าไม่ใช่ในวิชาเรียนที่หมาหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ว่าเรียนรู้เรื่องอื่นนะอกเหนือจากวิชาเรียน ที่จะมาว่าเนี่ยถ้าเราถ้าเรามีความรักในสิ่งที่เราเรียนรวมทั้งต่อไปนะเมื่อคุณจบคุณมีความรักในสิ่งที่คุณทำไอ้ความซีเรียสนี่จะไม่ใช่ปัญหามันจะกลายเป็นความสนุกมาแทนที่และความยากเนี่ยจะไม่ใช่ปัญหาเช่นเดียวกันแต่กลายเป็นเรื่องที่ท้าทาย แล้วก็ตามที่คุณลองเปลี่ยนความยากรือประสาทให้กลายเป็นเที่ท้าทายเนี่ยคุณจะพบกันสนุกมากขึ้นและแม้คุณจะล้มเหลวนะคุณก็จะได้เรียนรู้สำหรับการเรียนนะนจะได้คะแนนไม่ดีเพราะมันยากอยู่แล้วก็แล้วแต่ แต่สิ่งที่คุณได้แน่ๆก็คือคุณได้ความรู้นะถ้าคุณตั้งเป้าไว้ว่าเรียนเพื่อเอาความรู้อันนี้มันจะเป็นตัวที่เพิ่มพูนฉันทะให้เกิดขึ้นในใจของคุณแล้วพอคุณมีชันทะคือรักหรือชอบที่จะเรียนรักหรือชอบที่จ ะ, ะค้นคว้า ความฝ่รู้มันจะเกิดขึ้นและเมื่อความฝ่ายรู้เกิดขึ้นเนี่ยความรู้การเรียนรู้ก็จะกลายเป็นเรื่องสนุกนะอรตมาพิพัฒนเนี่ยคือคื อ, คอหัวใจสาคัญเลยนะของการไม่ว่าจะทำอะไรให้สาเร็จการเรียนหรือ ก, การทำงานก็ตามเนี่ยคือคุณต้องมีความรักที่จะทำสิ่งนั้นและที่รักเพราะว่าเห็นคุณค่า และความรักเนี่ยมันทำให้คุณเกิดความสนุกและความสุขและความสุขจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้คุณเรียนนะได้อย่างต่อเนื่องคนเราจะทําอะไรต้องมีเครื่องหล่อเลี้ยงนะหล่อเลี้ยงจิตใจและความความสุขเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงที่ทําให้เราเนี่ยมีความเพียรพยายาม ถ้าคุณลองมีฉันทะนะในภาษาภาษาเยอรมันเป็นภาษ า, า, ษาที่ยากแต่ตามาช่วยถ้าคุณมีฉันทะหรือความชอบที่จะเรียนเพราะคุณเห็นคุณค่าของภาษามันจะกลายเป็นเรื่องที่มันจะกลายเป็นยาขมน้อยลงมันจะกลายเป็นสิ่งที่สนุกหรือท้าทายมากขึ้น และคุณจะไม่กลัวพูดผิดปัญหาของคนไทยในการเรียนภาษาต่างประเทศนะปร ะ, นประการหนึ่งคือและเป็นปนัญหาสำคัญมากคือการกลัวผิดแอนดะรูบิกเนี่ยคุณรู้จักแอนดรูบิกแอนดรูบิกเนี่ยแกเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะ แล้แกอยู่แกอสอนภาษาภาษากรษให้ น, นักเรียนไทยมา25ปีแล้วแกเพราะว่าอุปสรรคสำคัญที่ทำให้นักเรียนคนไทยเนี่ยมีความตกต่ำด้านภาษาแกบอกว่าแกพูดติดตลกนะคนไทยชอบเลขเก้านะเวลาสอบเนี่ยอันดับอันดับความรู้อันดับของคนไทยในเรื่องภาษาเนี่ย คนไทยติดอันดับที่เก้าในใ น, ในบรรดานสิประเทศนะคนไทยติดอันดับที่เก้าเป็นไปได้ยังไงเนเมื่อคุณเรียนสิบสองปีอะแล้วคุณได้ที่ในอันดับเก้าะในสิบประเทศเลยนะนะเนะขาบอกว่าคนไทยไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดภาษาต่างประเทศเพราะกลัวผิดแกพูดไว้น่าสนใจบอกว่าคนที่กล้า ก้าพูดผิดมากที่สุดเนี่ยจะมีพัฒนาการมากที่สุดคนที่กล้าพูดผิดมากที่สุดจะมีพัฒนาการมากที่สุดนะเพราะว่าผิดมันเป็นครูไงนะและถ้าถ้าคุณฝ่ายรู้นะถ้าคุณเป็นคนฝ่ายรู้เนี่ยคุณจะไม่กลัวผิดเพราะว่าผิดเป็นครูของคุณใช่ไหมทุกครั้งที่คุณผิดทุกครั้งที่คุณพลาดคุณได้ความรู้เพิ่มเติม แล้วถ้าคุณเาทักษะปฏบับบนี้ไปใช้ในการทํางานนะคุณจะไม่กลัวความล้มเหลวเพราะทุกครั้งที่คุณล้มเหลวคุณได้ความรู้จะไม่มีคําว่าขาดทุนนะแต่ถ้าคุณแต่ถ้าคุณเนี่ยไม่ไม่ขาดความใฝ่รู้เนี่ยนะ <c oughs> ก็จะไม่กล้าเพราะกลัวผิดกลัวพลาดนะเพราะฉนั้นเนี่ยตมาคิดว่า ตัวอย่างที่จะเติมนะชันทัลงไปในใจของเราด้วยการที่พยายามเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราเรียนนะคะแนนก็เป็นเรื่องสำคัญเกรดก็เป็นเรื่องสำคัญนะแต่ว่าอย่าให้มันเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับแรก เ, เอาความรู้นะซึ่งขับเคลื่อนด้วยความสนุกและความสนุกเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่จชเป็นต้องเป็นความสนุกในการเรียน น, นะความสนุกในการใช้ชีวิตต่างประเทศมันก็ช่วยเติมพลังให้กับคุณในการที่จะเขี่ยวเข็นฟันฝ่า อยที่อามาบอกนะคนณเราต้องมีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใ จ, จเพื่อได้มีความเพียงเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถที่จะเติมความสนุกหรือความสุขให้กับชีวิตด้วยวิธีอืบ้างเช่นไปเที่ยวนะไปะสังสรรค์กันบ้างนะ มันก็จะทำให้คุณมีมีกำลังมากขึ้นกาลังที่ใจในการที่จะเรียนแม้ว่ามันจ ะ, จะหนักเพียงใดก็ตามนะพยายามเติมพยายามหาอะไรที่มันเป็นน้ำจิ้มของชีวิตบ้างไม่ใช่ไม่ใช่เรียนแบบตะบี้ตะบันนะนะถึงแม้ต่มาเห็นว่าการเรียนนำความสุขมาให้เนี่ยแต่ก็ไม่เห็นด้วยนักการที่ เรียนอย่ง ต, บบองตะบี้ตะบันเพราะสบการณ์อัตมาพวูกว่านะความรู้หลายอย่างที่เรียนนะในห้องเรียนนะไม่นานก็จะลืมไม่นานก็จะล้าสมัยมใช่ไหมคุณลองนึกเสียวิชาที่คุณเรียนมาในตั้งแต่ชั้นปหนึ่งถึงชั้นหมหกเนี่ยมันมีกี่เปอร์เซ็นที่มันยังอยู่ในหัวของคุณนะ่ะ ใช่ไหมแต่สิ่งที่จะสิ่งที่จะเหลืออยู่นะก็คือประสบการณ์ในโรงเรียนที่มีคุณค่าเช่นความประทับใจในครูบางคนความประทับใจในเพื่อนบางคนหรือประสบการณ์ที่ได้สนุกแช่ตมาเนี่ยประสบการณ์ที่สำคัญเนี่ยนะสิ่งสาคัญที่ได้จากโรงเรียนเนี่ยความรู้ก็อันหนึ่งนะแต่ว่าความรู้จำนวนมากมันหายไปแล้วมันลืมไปแล้วมันใช้ไม่ได้นะ แต่ว่าประสบการณ์ในโรงเรียนการที่ได้รู้จักครูบางคนซึ่งทำให้เกิดแบบอย่างในชีวิตทำให้เกิดไฟในการในการดำเนินชีวิตเพื่อนแล้วก็ลงท้องประสบการณ์การออกค่ายอาตอมาออกค่ายแต่เป็นนักเรียนนะไอ้สิ่งเหล่านี้กับมีความหมายกับชีวิมากกว่าเมื่ออาตมามาม า, มาสัมมนาที่ฝรั่งเศสเนี่ยเดือนเนี่ย นะเรียนเรียนหนักนะเสริวนาสมมนาป็นหนักปรกว่าสิ่งที่ที่เรียนแล้วก็สิ่งที่ได้มามันหายไปเยอะแล้วอาตมาจําแทบไม่ได้ว่าเรียนเรียนอะไรบ้างแต่ว่าประสบการณ์ที่ได้ไปเที่ยวในกรุงปารีสเนี่ยไปพิพิธภัณฑ์ <laughs> นะชื่นชมศิลปะชื่นชมสถาปัตยกรรมเนี่ยโอ้มันส่งผลมาจนถึงทุกวัน น, นี้นะ มันทำให้ชีวิตเชีวิตว ต, ตเต็มมากขึ้นก็คือเป็นคนที่สนใจฝ่ายรู้เรื่องศิลปะด้วยแต่ก่อนนี่ไม่เอาไหนไม่เอาเลยนะคือพู้ที่เรียนอย่างเดียวใช้แต่หัวแต่ไปฝรั่งเศสมันทำมันมาเติมบางอย่างให้กับจิตใจศิลปะภาพวาดจิตกรรมสถาปัตยกรรมหนังนะและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันก็สําคัญกับชีวิตนะเพราะชื่นคุณของชืงค่คนคนเราเนี่ย มันต้องมีสมอย่างนะหัวเททักษะแฮนจิตใจฮาร์ดเทแหนฮาร์ดคุณจะทําอะไรก็ตามนะคุณต้องมีสามอย่างเสมอไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรเป็นหมอนะไม่ว่าคุณจะเล่นดนตรีแม้หรือแม้กระทั่งคุณเล่นฟุตบอลคุณต้องมีสมอย่างคุณมีแต่หัว คุณมีทักษะแต่คุณไม่มีใจนะคุณก็ไปไม่รอดเล่นฟุตบอลเนี่ยมีหัวดีนะมองเกมออกทะลุทักษะดีนะแต่ลูกแม่นนะแต่ถ้าใจคุณไม่นิ่งพอเนี่ยถึงเวลาเตะลูกถูกยิงไปก่อนสองประตูเนี่ยใจคุณก็เสียแล้วแล้วพอใจเสียแล้วเป็นไงก็เจอลูกที่สามลูกที่สี่ ถ้าใจไม่นิ่งพอเตะลูกโทษเนี่ยหน้าประตูเนี่ยก็เตะไม่เข้าถึงแม้คุณจะเป็นระดับโรนันโดก็ตามใช่ไหมใจคุณต้องนิ่งเวลาคุณเตะฟุตบอลหน้าประตูเนี่ยนะลูกโทษเนี่ยสิ่งสำคัญไม่ใช่ทักษะนะแต่อยู่ที่ใจมีสมาธิไม่นิ่งพอไหมส่วนใหญ่เตะไม่ได้แต่ไม่เข้าเพราะถูกทนแรงกดดันไม่ไหวแฟนแฟนบอลประมาณแปดหมคนเนี่ยรอโหถ้าเตะไม่เข้าเนี่ยแค่เนี้คุณก็ใจเสียแล้ว หรือถ้าไปคิดว่านี่เราเคยเตะไม่เข้ามาต้องหลายครั้งพอคิดแค่นี้นะคุณก็เริ่มไม่มั่นใจในตัวเองลนะอันนี้เป็ น, ปนผลการวิจัยเนี่ยนะของของอ c a d e มีเกี่ยวกับฟุตบอ ล, ลเขาบอกเลยนะใจสำคัญทักษะเป็นรองคุณไปเรียนหนังสือเนี่ยนะถือแม่คุณความรู้มันจะแน่นหัวคุณนะแต่เวลาสอบนะคุณเกรงนะ ถ้าเวลาสอบคุณเกรงนะคุณก็ตอบไม่ถูกเวลาคุณจะสอบเนี่ยใจคุณต้องผ่อนคลายเพราะนั่นคือสิ่งที่จะทําให้ความรู้มันคลั่งพลุกมาจากหัวสู่ปากกาสู่มือของคุณเฮ <Head S 1> <Head S 2> กับแพรนมันจะทํางานได้ดีเนี่ยฮาร์ดมันต้องไปด้วยใช่ไหมเนี่ยที่มาถึงพูดเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดนะก็พูดเรื่องของใจนี่แหละนะนะเรื่องของ ความรักฉันทะความสนุกนะแล้วก็ลวมไปถึงว่าการที่คุณจะรับรู้ประสบการณ์ต่างๆที่ไปเติมความรุ่มรู้ให้กับจิตใจของคุณก็สำคัญอย่านึกแต่เรื่องของสมองเนะี้ยแต่มาคิดว่าอันนี้พูดนอะอาจจะไม่ไม่ทราบว่าจะตรงอธิบายของของาสบาสตร์ทุติยภัณนะคือถึงสอบไม่ได้ นะถึงถูกทายแต่คุณได้อะไรบางอย่างในจิตใจนะนวความรุ่มรือในจิตใจคุณนะจากที่นี่นะอัตมาคุมนะมมถึงแม้คุณจะต้องกลับไปเมืองไทยวพา ค, คุณสอบไม่ได้แต่คุณได้ประสบการณ์ชีวิตเนี่ยนะจากการที่อยู่ที่นี่ได้เพื่อนนะได้มุมมองได้ทัศนคติหรือว่าได้บางอย่างที่เป็นนิสัยคนเยอรมันเนี่ยนะ อาม ว, าว่าคุณอาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่เรียนจบก็ได้แต่ว่าไม่ได้สิ่งเหล่านี้มามนะเพราะนั้นพูดก็คือว่าไม่ต้องกลัวถึงสอบไม่ได้นะคุณก็ไม่ใช่เฟลนะคุณไม่ใช่เป็นคนล้มเหลวนะถ้าคุณสอบไม่ได้คุณกลับไปเมืองไทยนะต้องแยกระหว่าง การเรียนกับตัวคุณอาตมาหลวงพ่อของอาตมาในชื่อหลวงพ่อคำเขียนท่านเป็นพระที่เป็นพระกรรมฐานแล้วก็เป็นพระที่ทํางานพัฒนาชุมชนอนุรักษ์ป่าชักชวนชาวบ้านให้ช่วยกันรักษาปา่าแล้วก็พาชาวบ้านเนี่ยทำงานพัฒนาชุมชนแล้วก็หลายงานหลายอย่างก็ไม่ไม่สำเร็จ แต่หลวงพ่อท่าไม่มีความทุกข์ท่านบอกว่างานล้มเหลวแต่อัตามาไม่ล้มเหลวใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้การเรียนคุณจะล้มเหลวนะแต่คุณไม่ล้มเหลวนะคุณอาจะเป็นคนที่ใหม่ที่ที่ที่เป็นคนเต็มคนก็ได้ถึงแม้คุณจะไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนนะแต่แน่นอนนะคุณมาที่นี่แล้วคุณก็ต้องทาให้สาเร็จใช่ไแต่คิดว่า มาที่นี่เนี่ยมันมีแค่อย่างเดียวคือการเรียนเท่านั้นหมายถึงการเรียนในห้องเรียนเท่านั้นช่วยคุณมีอะไรมากกว่า น, นั้นและที่นี่สามารถจะให้อะไรคุณได้มากกว่า น, นั้นแต่ถ้าคุณได้การเรียนมาด้วยก็ยิ่งดีเพราะคุณสามารถจะไปทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับตัวเองได้ไ ด, ไ, ดได้มากขึ้นนะก็คิดว่าขอเกินนำที่นี่ก่อนนะ เมืวานที่เราพูดถึงอุปสรรคกับความท้าทายมันเหมือนด้านซ้ายกับด้านขวาบางทีเราพิจารณาแล้วเราก็มองเห็นบางสิ่งที่เป็นความจริงยังนึกถึงตอนที่มีช่วงหนึ่งที่พี่ได้ดูใจกล้าไปที่ญี่ปุ่นเนาะห้าเดือนเขาจะพาไปโรงงานทุกจัริตสุขเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นวันซื้อตังก็เดี๋ยวเราละชีวิตที่อยู่ที่โตเกียวเนี่ย แค่ห้าแค้าเดือนแต่สามารถแบบเที่ยวเกือบครึ่ง น, นึงของญี่ปุ่นเพราะว่าทุกสองอาท์เนี่ยจะจะมีชื่อเสียงมากเลยว่าในมันจะเป็นมิีลดอนก็จะมีมีสองทัวร์ก็จะมีคนไทยแค่สองคนเพราะว่าสองโปรเจกต์เนี่ยคนรโปรเจกต์เรประเทศเราคนเนี่ยแต่เราก็ไปเจอเพื่อนสุดตัวคนต่างประเทศอีก แต่จะดังมากเัว่าถ้าสาวดีใครอยากไปเที่ยวไหนอะ่ะให้ไปหานาซังนาซังทุกอาทิตย์แล้วคิดทุกอาทิตย์เลยนะทุนที่ได้มานะ่ะ ท, ที่ใช้หมดเรียบน้อนักศึกษาทุนคนอื่นเนี่ยเขาจะมีแบบว่าพอตอนจะกลับเนี่ยเขาจะมีเครื่องซักผ้ามีตู้เย็นส่งกลับบ้านตัวเองนะคูไม่มีแล้วคูเหลือเงินก้อนสุดท้ายซื้อซ้อยไข่มุกให้แม่จบค่ะ นอกนั้นเงินเขาคือประเทศทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าไปจนแล้วช่วงหลังที่หลังจากที่ล้วพอกลับไปพูดถึงตอนที่เรียนที่อเมริรกาเนี่ยช่วงแรกที่จิตตกนแล้วก็เริ่มมาทํากับข้าวเนี่ยหลังจากนั้นก็จะเป็นประสบการณ์ก็คือเปลี่ยนไปพอเริ่มมีเพื่อนเนี่ยทุกๆปิดเทอมเราก็จะไปที่อื่นก็ไปตามพารไปตามรีสอร์ไปตามนไามนไี่ไปดูแจ๊สไปมูออลีนไปนั่งฟังดนงงตรีไปทำ ว่าตอนหลังเนี่ยเรียนหนักขึ้นเยอะมากนะเพราะว่าอยากจบเร็วแต่ก็กลายเป็นว่าการเรียนมันเป็นเรื่องที่เบาลงเพราะว่เราไม่ได้เอาใจไปจดจออยู่กับเรื่องเดียวแล้วก็ขังตัวเองมันเหมือนได้รับน้ําจริงอย่างที่หลวงพ่อบอกจริงเพราพอถึงตอนนี้แล้ มีแรงใจมากแต่มันยังทำไม่ได้อะเจ้าค่ะแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีอะค่ะที่จะสร้างมันขึ้นมาเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนก็ได้นะไม่รู้ว่าจะเดความเป็นตัวองส ง, ง่ายง่ายนะง่ายกว่าการปลูกฉันทะนะสมมติว่าคุณยังไม่มีฉันทะเนี่ยนะจะเรียนอย่างไรนะอรรมะใหญ่แนนํนให้เรียนด้วยใจที่ปล่อยวาง น, นะ เดียนทีจใจที่ปล่อยวางปล่อยวางอะไรนะอย่างแรกคือปล่อยวางเรื่องคะแนนปล่อยวางเรื่องเกรดนะเพราะว่าถ้าคุณคิดเวลาคุณนึกถึงเกรดเนี่ยนะคุณจะไม่ทํำคุณเกรดได้ง่ายเหมือนนักฟุตบอลเนี่ยที่ถ้าคิดว่าจะต้องเตะให้เข้าเนี่ยหรือว่านึกถึงชัยชนะที่จะตามมาเนี่ยมันเครียดมันกดดัน คุณวางเรื่องคะแนนไปก่อนสองนะคุณวางเรื่องจุดหมายจุดหมายคือปริญญาหรือหรือว่ า, าวิชาต่างๆที่คุณเรียนคุณวางเรื่องการบ้านต่างๆรายงานต่างๆเอาไว้ก่อน คุณจดจ่ออยู่กับรายงานที่คุณทำเฉพาะหน้ า, อ, นาอาตมาจะอยากจะยกตัวอย่างของคนคนหนึ่งนะซึ่งอาจจะดูเหมือนไม่เกี่ยวอะไรกับนักเรียนอย่างพวกเราเลยบรูซเคิร์กบีกบ้แกไปต้องปีนเขาแกบบพิชิตยอดเขาสูงที่สุดในทุกทกวีมาแล้ว รวมทั้งเอเวอเรสต์ด้วยแก่อประสบการณ์การปีนเขาอันยาวนานของแกเนี่ยมันสอนแกว่าทุกอย่างมักดูน่ากลัวกว่าความเป็นจริงเสมอเมื่อมองจากที่ไกลนะเวลาแกปีนเขาเนี่ยอยู่สมมติอยู่ตีนเขาเนี่ยมองไปที่ยอดโอ้โหสูงเหลือเกินไกลเหลือเกินชันมากท้อเลยอีกกี่เดือนวม่าก็จะถึงเนี่ยเป็นเดือนนะแกบอว่าเทคนิคการปีนเขาที่ทาให้แกสาเร็จ ก็คือสนใจพื้นดินใต้ฝาา่าเท้าแล้วก็เดินทีละก้าวทีละก้าวเดินไม่หยุดและถึงเองอย่า ง, งี้ง่ายกว่าไหใช่ไหมสิ่งที่บรูซเกอร์พีทำคือว่าลืมจุดหมายยอดเขาลืมไปก่อนสนใจเนี่ยพื้นดินเวลาคุณเรียนหนังสือเนี่ยนะคุณมีรายงานเยอะแยะสมมติคุณมี10บรายงาน1ิบชิ้นเนี่ยคุณทำชิ้นไหนคุณก็จดใจชิ้นนั้นคุณลืมชิ้นอื่นไปก่อน และชิ้นนี้เนี่ยมันจะใช้เวลากี่วันเสร็จคุณก็สนใจเฉพาะวันนี้คุณจะทําได้แค่ไหนนะคุณเพียงแค่ซอยซอยซอยจุดหมายปลายทางคุณให้มัน <c oughs> ให้มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะเช่น<อ>งานชิ้นนี้เนี่ยคุณต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนคุณก็ลองซอยดูว่าเนี่ยเดือนแรกคุณทําแค่ไหนเดือนที่2องคุณทำแค่ไหนเดือนแรกเนี่ยอาทิตย์อาทิตย์แรกทําเท่าไหร่อาทิตย์ที่สองทเท่าไหร่อาทิตย์ที่3ามทเท่าไหร่อาทิตย์ที่สี่ทำเท่าไหร่ แล้วคุณก็สรายเป็นวันเป็นวันแล้วคุณก็จดจอเฉพาะวันนี้คุณจะทำไม่ได้เท่าไหร่ยิ่งแตไม่ยิ่งอ ย, ย, ย, ย, ย่งเช่ตมาเขียนหนังสือเนี่ยหลายคนมาถ่ายตมาเขียนหนังสือหนาเป็นห้ารอยหน้าได้ยังไงใช่ไหมใช้เวลาเป็นปีนะเขียนเนี่ยเขียนประมาณา6ปีตมาก็บอกว่าเนี่ยตมาก็สนใจแค่วันนี้ตมาจะเขียนแค่สมหน้าพอไอ้ที่เหลือเนี่ยกี่หน้ากี่กี่ร้อยหน้าลืมมาไปก่อนนะ แล้วก็ทําให้ได้แค่วันนี้สามหน้าง่ายไหมทำก็เ น, นี่ยทำให้ได้แค่สามหน้าพอทํำจบเออพักผ่อนได้ก็พยายามปั้มตัวเองให้ได้สามหน้าแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะมันเขียนไปเขียนไปเนี่ยมันก็ห้าร้อยหน้ามาเองถ้าคุณเขียนไม่หยุด น, นะคุณเขียนทุกวันนะเดี๋ยวนะประมาณห้าหเดือนเนี่ยมันก็เสร็จแตงจ่งจีิงแตมาไม่ได้เขียนทุกวันนะเพราะว่ามี กิจนิมนโน่นนี่อะไรเี้ยกว่าจะใช้เวลาเขียนเสีงจริงก็หลายปีแต่เมื่อตั้งใจะจะเขียนเนี่ยก็จะเขียนแค่ว่าวันละสองหน้าหรือสหน้าก็ตรงกับที่บุสเ o b รบีว่าเนี่ยสนใจพื้นที่ได้ฝ่าท้าแล้วก็กล้าไปทีละก้าอันนี้คือความหมายตัวอย่างของการเรียนแบบปล่อยวางหรือทำงานอย่างปล่อยวางก็คือว่าวางจุดหมายปลายทางเอาไว้ก่อน วางงานชิ้นหนึ่งเอาไปก่อนคุณจะมีงานอีกกี่ชิ้นที่คอ ย, อยคุณจะต้องอ่านหนังสืออ ก, กี่เล่มคุณลืมมาไปก่อนคุณสนใจแต่งานชิ้นที่กาลังทําหรือว่าหนังสือที่คุณกําลังอ่านเฉพาะหน้าแล้วถ้าคุณวางแผนดีนะคุณสามารถจะซอยงานที่ยากเนี่ยให้มันเหลือชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยแล้วคุณสนใจแต่สนใจแค่แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นอย่าว่าแต่งานเลยนะที่คุณต้องรู้จักซอยเนี่ย แม้แต่ของอร่อยๆเช่นพิซซ่าเนี่ยคุณกินคาเดียวหมดไหมอ่ะเราคุณกินพิซซ่าคุณต้กินทุณต้องทำยังไงคุณถึงกินกินหมดอ่ะคุณต้องซอยกับคุณต้องฟันกันใช่ไ้คุณต้องผ่ากัใช่ไหมจะจะหชิ้น8ชิ้นก็แล้วแต่แล้วคุณก็กินทีละคำกินทีละชิ้นกินทีละชิ้นเนี่ยคุณกินหมดไหมชิ้นเดียวคุณต้องกินทีละคำเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทาทีละอย่าง นี่คือสูตรในการเดินทางไกลนะคุณจะเดินทางไกลได้เนี่ยมันจะยาวกี่ร้อยกิโมเนี่ยคุณต้องเดินทีละก้าวอาหารจานใหญ่คุณต้องกินข้าวทีละคำงานกี่อย่างจะมีกี่สิบอย่างก็ต่างคุณจะเสร็จได้คุณต้องทำทีละอย่างนะแ้าคุณลองลองคิดลองทำแบบนี้นะ มันก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้นนะอันนี้คือความหมายเขาว่าเรียนแบบปล่อยวางปล่อยวางจุดหมายปลายทางข้างหน้าที่มันดูแสนไกลวางงานต่างๆที่ยังกองอยู่นะนเนินเทินทึกงเอาไว้ก่อนนะ วางสิ่งที่ต้องทําพรุ่งนี้มารืนนี้เอาไว้ก่อนแต่ทํานี้ได้คุณต้องวางแผนนะอย่างที่ธรรมาบอกถ้าคุณวางแผนดีนะไม่ใช่ธรรมาวางแผนว่านี่เออนังสือเรื่มนี้ต้องใช้จะต้องเขียนกี่บทนะแล้วบทหนึ่งประมาณเท่าไหร่แล้ววันนี้ต้องเขียนกี่หน้าแล้วก็ตั้งเลยนะออจันเขียนจันนางคาร พุทธพาเมื่อเราซอยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยเราก็สนใจแต่แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นที่เรากำลังทำอยู่ที่เหลือนะอีกกี่ร้อยชิ้นเนี่ยคุณก็ลืมไว้ก่อนอันนี้เรียกว่าวางนะมันมีคําพูดว่าจุดหมายอยู่ไกลใจอยู่กับปัจจุบันจุดหมายอยู่ไกลใจอยู่กับปัจจุบันจุดหมายจะไกลขนาดไหนใจคุณอยู่กับปัจจุบันสนใจทีละกะ้าวแล้วคุณจะรู้สึกเลยนะว่า ความเครียดน้อยลงความทุกข์ที่คุณที่เกิดจากความทุกข์ในระหว่างที่คุณเรียนหนังสือนี่นะส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดจากความไม่ได้เกิดจากงานที่คุณคุณกำลังทําเฉพาะหน้านะมันเกิดจากการคุณคิดถึงอนาคตเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จนะโอ้ยต้องหลายชิ้นรอเราอยู่นะแค่คุณคิดแค่คิดแค่นี้คุณก็ท้อแล้วคุณก็ไม่อยากจะทําอะไรแล้วแต่ถ้าคุณลองลืมมันไป เหมือนนักฟุตบอลที่เขาเวลาเตะลูกโทษเด็กเขาลืมลืมโลกไปเลยนะใจเขาเนี่ยมีแก่ฟุตบอลกับอประตูนี่แหละแล้วเขาก็แค่ยังมีว่าทํำไมจะเตะให้มันเข้าประตูลืมสายตาคนกี่ล้านคู่ที่กำลังมองอยู่ลืมลืมชัยชนะที่คาดหวังเอาไว้แล้วมันก็จะนําไปสู่ความสําเร็จได้ง่ายแต่ตอนนี้ก็องออมีอีกนะทุกผา อย่างเชว่าซอยแล้วแล้วก็รู้ว่าแผนระ้วางแล้วว่าจะถึงตรงนี้ยแต่พอเวลาก็จริงไอ้ที่ซอยไว้ก็ผัดผ่านไว้แล้วก็บริก่อนแล้วสุดท้ายพอไปถึงเดลดไลน์ก็เดลดไลน์ก็เกือบเดทเลยค่ะก็คือแต่พี่กำลังทำที่ผัดไว้ก่อนเนี่ยตอนนี้ผักเนี่ยค่ะผัดวันประกันเรุ่งเนี่ยจะคิดจะคิดยังไงดีอะคะ่ะ แค่นี้ผมเข้าใจเลยเพราะเคยเป็นเยอะมากอ๋อตอนนี้คือต้องอาศัยวินัยมากเลยนะต้องอาศัยวินัยห้กับตัวเองและวินัยเนี่ยมันเกิดจากจิตที่เข้มแข็งคุณก็ต้องพยายามสร้างสร้างพยายามฝึกจิตให้มันเข้มแข็งที่จะไม่ที่จะไม่อ่อนที่จะไม่แพยแพ้ ง, ง่ายๆต่อ ต่อสิ่งที่จะมายั่วยและยั่วยวนนะมันมีสิ่งที่จะยั่วยวนมากนะหรือสิ่งที่จะดึงความสนใจเราไปมากไม่รู้ที่นี่เป็นไงแต่ที่เมืองไทยเนี่ยเ o ซบกก็เป็นตัวยั่วยวนอย่างหนึ่งนะที่ทำให้เนี่ยทิ้งงานทิงการนะใช่ไหแต่ถ้าคุณมีวินัยกับตัวเองเนี่ยคุณยังต้องทาไห้ได้เนี่ยวันนี้เนี่ยกี่ชั่วโมง และไม่ว่ามันจะยากอย่างไรรายงานไม่ว่ามันจะยากยังไงคุณก็ต้องเขียนมาให้ได้ปัญหาคนเขียนรายงานเนี่ยเหมือนคนเขียนหนังสือนะก็คือว่าใหม่ๆมันจะยากเขียนไม่ออกแต่ถ้าคุณลองลองปั้มกับมันอยู่สักพักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมง มันก็จะเริ่มออกขอให้ได้เขียนเขียนยังไงก็ได้แล้วมันก็จะเริ่มไปเขียนดีไม่ดีไม่เป็นไรแต่ขอให้ใ ห, ให้ให้ครบกำหนดที่เราตั้งออกไว้เช่นสามชั่วโมงหรือสามหน้าแล้วคุณจะพบว่า ทำวันนี้ไปเนี่ยมันจะเริ่มฟลร์มากขึ้นจะเริ่มไหลลื่นมากขึ้นสิ่งที่ยากเนี่ยสิ่งที่ยากเสมอคือจุดเริ่มต้นคนที่ตื่นสายเนี่ยนะแล้วตั้งใจว่าจะตื่นตีห้าหรือหกโมเนี่ยนะมันยากเสมอวันแรกวันที่สองก็ยากแต่มันก็จะยากน้อยลงแล้วถ้าคุณทำานี้ไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ คุณก็จะพบว่าวันที่8นี่มันง่ายแล้วทุกอย่างนี่นะมันยากเสมอเวลาเริ่มต้นเขียนหนังสือเขียนรายงานมันยากเสมอนะชั่วโมงแรกแต่คุณอย่าทอ้อคุณพยายามปั้ามันไปเรื่อยนะเขียนเขียนสเปซสปา ก, ก็ยังดีดีกว่าบอกให้ไม่ไหวแล้วไม่เอาละไปเที่ยวดีกว่าฟังเพลงดีกว่าเล่น Facebook ดีกว่าใช่แล้วคุณต้องเข้าใจนะว่านี่เป็นธรรมชาติของจิต นักเขียนทุกคนเนี่ยยากเสมอเวลาเขียนหน้าแรกนะแต่ว่าเขารู้เลยนะว่าถ้าเขาปั้ามันไปสักพักเดี๋ยวมันก็ค่อยๆออกมานะคุณพิมพ์ดีไปสักพักนพิมพ์ไปพิมพ์มาลบแล้วเนี่ยคุณก็อย่าท้อุณก็ทำไปเรื่อยๆดันด้นมันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็เริ่มไปและถึงแม้ว่า ไอ้ที่คุณเขียนไปอาจจะไม่ดีนะแต่คุณเนี่เมื่อคุณกลับมาอ่านใหม่คุณก็จะรู้ว่าจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรมันจะง่ายขึ้นดีกว่ามีแต่กระดาษป่าแล้วไมเราจะปรับปรุงยังไงใช่ไห้เห็นแต่กระดาษป่าจะปรับปรุงยังไงไม่แต่ถ้าคุณมีตุ๊กตาสักอย่างแม้แมมันจะแม้มันจะแม้มันจะดิบแม้มันจะหยาบนะการที่จะทําให้มันการที่จะรีไฟล์มันการที่ทําให้มันประณีตมากขึ้นสวยมากขึ้นเป็นเรื่องง่าย ถ้ามาเชื่อขึ้นําเนี้ยคุณจะมีนิสัยมีนิสัยที่จะจะไม่ไ ม, ไม่ไม่พ่แพ้ต่อสิ่งเรือยู่<ม>คุณจะมีวิสัยมากขึ้นนะแล้วคุณต้องอดทนนะคุณต้องรู้จักคอยนะสาคัญมากความรู้จักคอยเนะี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกุญแจของความสำเร็จ<ม>นะส่วนใหญ่ที่ไม่สำเร็จเพราะว่าคอยไม่เป็นอยากได้ผลเร็วๆนะพอมันได้ไม่ได้ผลเร็วอย่างที่ต้องการก็ทอ้อนะ เพรนี่พยายามพยายามรู้จักคอยนะอย่าอย่าเร่งรีบอย่าใจร้อนนะโดยเพราะเรื่องภาษานะถ้าว่าคุณไปหนึ่งเดือนแล้วคุณก็ยังยังอ่านไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้ก็ไม่เป็นไรมันใช้เวลามีคนมีที่เมืองไทยนะเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนนี่มีอาจารย์ญี่ปุ่นคนหนึ่งนะ อิชิอีิชิออนิชิอนี่แกแกเรียนไม่จบปริญญานะที่ยงที่ญี่ปุ่นแต่กมาเป็นอาจารย์สอนที่ที่ที่ธรรมที่จุฬาอาจารย์โยนิโออิชอินี่แกเป็นคนที่รู้ภาษาเยอะมากไทยญี่ปุ่นอังกฤษอิตาลีเยอรมันภาษาโบราณแกก็รู้นะบาลีสันสกฤตคนก็บอกแกอัจฉริยะ แกบอกเปล่าเลยมันเป็นเรื่องความเพียรล้วนๆแกบอกว่าภาษาการเรียนภาษาต่างประเทศนะมันไม่ต่างจากการตักน้ําใส่แก้วด้วยกระชอนรู้จักกระชอนไหมกระชอนที่กระชอนที่มันกระชอนตักน้ําอ่ะคุณลองนึกภาพเลยแก้วนี่นะแค่นี้เอาช่อแก้วนี่คุณเอาเอากระชอนที่วันนี้ตักน้ำเนี่ยกี่ชั่วโมงถึงจะเต็ม แกบอกแกเวลาแกแกเียนภาษาแกเปิดเด็กคำคนึงแกเปิดอยู่ั่นะพราแกลืมไงก็เปิดอยู่นเปิดเปิดซ้าเปิดซ่าเปิดซ้ามาซาเปิดไปสักร้อยครั้งถึงค่อยจำได้โอ้ยสับเนี่ยแปลว่าอะไรนี่นะคุณจะทำแบบนี้ได้เนี่ยคุณต้องอดทนนะให้น้ำมันเต็มแก้วนี่นะคุณต้องโดยโดยนางวัชรคุณใช้เวลานานเท่าไหร่อาจารย์อิชิแกแกเรียนสำเร็จในพิธีนี้คือแกคอยแกก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อย นี่คุณถ้าคิดว่าเออทําเดือนนึงแล้วไม่พูดอะไรไม่ได้เลยนะอ่าและไไม่รู้เรื่องเนี่ยโอ้ธรรมดามากปัญหาคือเดี๋ยวนี้เราใจร้อนเนี่ยเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเร็วใช่ไหมทุกอย่างเนี่ยกินฟาสต์ฟู้ดในพัฒนาทำฟาสต์ฟู้ดเนี่ยอาหารก็เร็วสามนาทีมาม่าสามนาทีใช่ไหมคอมพิวเตอร์นี่ยบูตเร็วกว่ามากเนนั้นคุณต้องมีนะความรู้จับคอยซึ่งฝรั่งเนี่ยแล้วก็ ไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยคอยเก่งมากคุณเห็นได้เนขาเข้าคิว เ, เนี่ย<ม>เข้าคิวเป็นชั่วโมงเขาเข้าคิวไปกินร้านอาหารไปที่ที่โตกเกียวมีร้านอาหารซูชิเด่นมั้งต้องต้องยืนคอยสมชั่วโมงนะหโมงเชาถึง9ก้ถึง9ก้าโมงเช้ า, 9, ชาคนญี่ปุ่นก็คอยแล้วคอยยังมีความสุขด้วยไม่กระสับกระสายไม่คิดจะหาทางแซงมันจะแซงไงดีวะ ชนชาติที่คอยไม่เค่อยเป็นเนี่ยคือคนชนชาติไทย เ, ยเวลาจะเวลาเวลาแซเวลาจะเข้าคิวนอนอดทนอดรถทนไม่ได้คนญี่ปุ่นเนี่ยนะเวลาเวลาไฟไฟแดงก็คือแดงจริงๆคือหยุดไม่ข้ามถนนแม้ว่าถนนจะเป็นซอยเล็กๆซึ่งไม่มีรถอจะมาไปโอซาก้าซอยมันแค่ห้านาทีห้าข้ามเลนเองแต่ไฟแดงคนเป็นร้อยแนละสองฝั่งเนี่ยก็หยุดนะแล้วก็คอยแล้วเมื่อไหร่จะจะเขียว ไม่มีใจร้อนนะถ้าคุณสร้างนิสัยรู้จักคอยนะความสำเร็จก็จะอยู่ไม่ไกลที่จริงมันไกลนะแต่ว่าจะรู้สึกว่ามันไม่ยากเกินเอื้อมต้องให้คนเราถามนั้นค่ะโดยจะมีเวลาสักประมาณสิบห้าที่แล้วจะฝึกโาวนา น, นีกอย่างหนึ่งจะเชิญทำอีกจ้ะนาทีทองแล้วลูก คือผมเนี่ยทราบเนีทางการคลายความเครียดครับคือผมประสบปัญหาคือว่าจะเป็นคนที่คิดแก้ปัญหาแล้วเหมือนคอมพิวเตอร์พอคิดแล้วมันรั น, ม, นมันไม่สามารถทำได้ครับที่ทําให้เกิดความเครียดสะสมมากอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะดึงวแองมาให้ใครเทรียดแต่มันก็ทําำม่สักทีเหมือนมาใจเราจะเต้นเร็วเลยครับแต้ว่าใจเย็นใจเย็ น, ยนแต่มันก็ไม่สามารถทําได้มันก็จะกลับมาคิดกับปัญหาอย่างเดียวแล้วก็ ทำเกิดผเสียสุขภาพคือเป็ น, มนเมงกรแล้วก็เพื่อนก็อาจจะแบบเพื่อนก็จะมว่าทำไมเราไม่ค่อยเฟรนดี้เท่าไหร่เวลาเราทางานอะไรนีคืออยากราบแนวทางสุขภาพเราการแก้หาอร่างเงี้ยคือมันเครียดตั้งแต่มันเครียดตั้งแต่การที่จิตคุณไปจดจ่อยที่จุดหมาย mm. นะพอคุณไปอยู่อยู่ที่จดจ่อยที่จุดหมายเนี่ยยึดมั่นถือมั่นก่อนมั่นเนี่ยมันก็จะเริ่มเครียดแล้ว แล้วคนี่พอกเครียดแล้วเนี่ยคุณก็หยุดไม่ได้นะสิ่งที่ช่วยทําให้คุณหยุดได้เนี่ยคือสตินะพอคุณเริ่มเครียดเนี่ยสติมันมันจะบอกคุณว่าตอนนี้ต้องหยุดแล้วนะคุณเครียดเนี่ยเพราะว่าความคิดมันผลักคุณไปเรื่อยๆความคิดเนี่ยนะเป็นบ่าวที่ดีเป็นนายที่เลว ถ้าคุณใช้ความคิดอันนี้ดีแต่เมื่อกระตาที่ความคิดมันใช้คุณเนี่ยคุณแย่แล้วไอ้ตอนที่คุณเครียดนีเพราะความคิดมันใช้คุณเนี่ยมันมันก็ว่ามันมันผลักคุณให้วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆถึงเวลาคุณจะนอนคุณก็นอนไม่หลับทั้งนั้นคุณอยากจะหลับคุณอยากจะหยุดคิดแต่คุณหยุดคิดไม่ได้ใช่ไหมเพราะในตอนนั้นเนี่ยความคิดมันใช้คุณแล้วคุณไม่ได้ใช้ความคิดถ้าคุณใช้ความคิดใช่ไหมคุณอยากจะหยุดคุณก็หยุดได้ แต่เมื่อใาก็ตาที่ความคิดใช้คุณคุณคุณก็จะซั f เฟอร์เพราะมันสิ่งที่ปัญหาของคนในยุนี่คือว่าคิดเก่งแต่หยุดความคิดไม่ได้มันไม่สมดุลกันมันเหมือนกับเครื่องบินนะเหมือนมันเหมือนกับคนขับเครื่องบินนที่ถูกฝึกมาให้ทะยานเครื่องบินขึ้นฟ้าแต่ไม่ได้ถูกฝึกมาให้รู้จักร่อนเครื่องบินอย่างสมูท ใช่ไหมคุณเก่งคุณจะคุณจะขับเครื่องบินเก่งคุณต้องเก่งทั้งในแง่ว่าพาเครื่องบินขึ้นฟ้าแล้วก็ล่นลงดินได้อย่า ง, างปลอดภัยแต่คนสมัยนี้เนี่ยการศึกษาสมัยนี้เนี่ยมันเน้นให้คนคิดเก่งคิดไวคิดเร็วแต่ว่าเขาไม่ได้สอนให้ผู้เรหยุดคิดหรือวางความคิดใช่ไหมคือสอนแต่เฮสเนี่ยไม่สอนฮาร์ดฮาร์ดเนี่ยคือตัวที่จะหยุดความคิด เพราะสติเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของ h ร r d สมาธิขึเหมือนกันมันเหมือนกับว่าคุณเก่งเรื่องการปีนขึ้นต้นไม้แต่คุณลงจากต้นไม้ไม่ ไ, มได้คือการเรียมมนมันไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคิดเก่งก็ดีแล้วแต่ว่าคุณต้องรู้จักจุดคิดได้รู้จักวางความคิดได้เมื่อคุณทําอย่างนั้นได้เนี่ยคุณก็จะเป็นนายความคิดได้ไม่ยาก ถึงเวลาจะคิดคิดถึงเวลาเหนื่อยหยุดคิดก็วางถึงเวลานอนวางใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสติสำคัญตรงนี้ไงเวลาคุณเครียดแล้วคุณหยุดไม่ได้เพราะเหตุ น, นี้แหละเพราะฉะ น, นั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณลองฝึกสติดูนะให้รู้ว่าตอนนี้กำลังเครียดนะตอนนี้ลมลองสังเกตลมหายใจตอนนี้ลมหายใจมันถี่สั้นแล้วนะตัวมันเกร็งแล้วนะลองสังเกตตรงนี้ดูนะแต่ที่จริงเนี่ย ถ้าคุณมีสติไวเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่จิตมันล้าเนี่ยนะคุณก็จะรู้แล้วจะหยุดมันได้ตอนนี้ก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะพยายามหาตัวช่วยตัวนึงคือลมหายใจเวลารู้สึกว่าเครียดเนี่ยคุณก็ลองหยุดแล้วก็ตามลมหายใจมันเป็นการเว้นวักมันเป็นการเว้นวักให้กับความคิด หายใจเพื่อลึกๆหายใจย า, ยาวๆแล้วก็นับไปด้วยก็ได้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงสิบนะเวลาคุณหายใจลึกๆเนี่ยมันจะช่วยเพราะว่าตอนที่คุณเครียดเนี่ยคุณไม่รู้ตัวนะโถลมหายใจคุณเนี่ยมันถี่มันสั้นและลมใจถี่สั้นมันจะทำให้คุณเนี่ยมีออกซิเจนไปเลี้ยงสมองน้อยลงแล้วคุณก็จะเริ่มอึดอัดเริ่มหน้ามืด คุณไม่รู้ตัวนะไอความเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นมันมีปฏิกิริยาต่อร่างกายตรงนี้ยังไม่นับถึงอาการที่เกรงโดยไม่รู้ตัวอจะเกรงที่ใบหน้าหน้านิืงที่ขมวดมือเกรงนะแต่ถ้าคุณหายใจเข้าลึกหายใจายาวเนี่ยออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายไปเลี้ยงสมองคุณจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็คุณก็จะเริ่มผ่อนคลายคุณลองเว้นวักอย่างนี้ดูบ้าง นะสัก5หนาทีแล้วคุณก็กลับมาอ่านใหม่หรือไม่คุณก็ไปเข้าห้องน้ำดื่มน้ำนะพักสักหน่อยสัก5นาทีจริงๆเนี่ยสมองคนเรานี่นะมันทำงานใช้ความคิดเนี่ยประสิทธิภาพสูงสุดออปติมอลเนี่ยานาที50นาทีด้วยทนี้ วิชาเรียนนี่นะส่วนใหญ่เขจะไม่เกินชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะพักใช่ไหมแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถ้าคุณลองลองลอ ง, ลองตั้งลองตั้งอธบายตัวเองว่าเนี่ยอ่านหนังสือเนี่ยนะคุณจะอ่านสักไม่เกินชั่วโมงต่อเนื่องนะแล้วคุณก็จะพักหน่อยสักห้านาทีแล้วคุณกลับมาเริ่มต้นใหม่คุณจะพบว่า คุณสามารถจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นอย่าไปคิดว่าการพักเป็นการเสียเวลาแท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนจำเป็นสำหรับการทา ง, งานมันมีเรื่องเล่าว่าเนี่ยผู้ชายคนหนึงแกเป็นช่างไม้ไเลื่อยไมนะ้มีคนจ้างให้ไปเลื่อยไม้เลื่อยต้นไม้นะต้นละร้อยบาทวันแรกแกก็เลื่อยได้ส0บต้น วันที่สองแกได้พันบาทแล้วเนีเฮ้ยได้หมืนบาทนวันที่สองแกก็ไปก็ไปเลื่อยใหม่ปรากฏว่าไม่ถึง1ิบต้นละได้แค่ก้าต้นครึ่งก็ต้องทำงานให้มากขึ้นจาก8ชั่วโมงเป็นเก้าชั่วโมงถึงจะได้10 10ต้นวันที่สามทำงานเท่าเดิน8ดชั่วโมงวันได้8ต้นแล้วแกคิดว่าแกทำงานน้อย ก็เลยทำงานให้มากขึ้นจาก8 6, 5, ชั่วโมงเป็นสิบชั่วโมงบอกว่าได้เจดต้นไม่ทำไมมันน้อยลงวันต่อไปทำไงใ ห, ให้มากขึ้นสิบสอชั่วโมงได้เจดต้นเท่าเดิมและะ้ะบอกว่ายิ่งทําไปทําไปก็จะได้น้อยลงจนถ้าบางวันหนึ่งวันภายในเวลาเจ็ดวันได้ห้าต้นวันสุดท้ายได้หต้นจากเดิมมันแรกได้10ต้นก็ไปบอกกับเพื่อนว่าทำไม ต้นมไม้น้อยลงทั้งที่ทํางานมากขึ้นเพื่อนก็ถามว่าแล้วแกเลื่อยแล้วแกขัดคมเลื่อยเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เข้าใจไหมฮะเราคิดว่าเออถ้าทํางานมากขึ้นเนี่ยจะได้ผลงานมากขึ้นแต่บางครั้งทํางานมากขึ้นได้ผลงานน้อยลงเพราะว่าเลื่อยมันไม่คมแล้วถ้าคุณเขาบอกว่าเพื่อนถามว่าแกขัดคมเลื่อยนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก็บอกว่าจำไม่ได้แล้วเพื่อนก็ถามว่าทำไมไม่ขัดเสียเวลา ขนาด12ชั่วโมงก็ได้5ต้นเลยแล้วถ้าเอาเวลาไปขัดคมเลื่อยเนี่ยมันก็จะได้น้อยลงเขาไปคิดว่าการขัดคมเลื่อยเนี่ยเป็นการเสียเวลาแต่ที่จริงถ้าเขาลองขัดให้มันคมมากขึ้นนะการที่รับคมเลื่อยให้มันคมมากขึ้นเน่เข า, า จ, จะใช้เวลาน้อยลงแต่ผลงานได้มากขึ้นก็คือว่า8ชั่วโมงได้10ต้นก็ได้นั้นต้องรู้จักรับคมเลื่อยฮะไม่ใช่ว่าเลื่อยตะบีตะบันการที่คุณหยุด นะพักผ่อนรีแลกซ์ตามลมหายใจเนี่ยมันไม่ต่าการที่คุณรับคมเรื่อยอย่าไปคิดว่ามันทําให้คุณเสียเวลาพราะถ้าคุณคิดแบบนั้นคุณก็จะคิดไม่ต่าจากผู้ชายคนนั้นเน่ยที่ไม่ยอมรับคมเรื่อยเพราะคิดว่ามันเสียเวลาทํามหากินใช่ไหมแต่ที่จริงมันเป็นส่วนสําคัญมากที่ทําให้คุณสามารถจะทํางานได้ดีขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลงนะคุณดิจิตี้กับ quality บางทีมันมัน มันต่างกันนะคุณคุณตะบี้ตะบันอ่านหนังสือไปเนี่ยบางทีคุณได้ความรู้หรือว่าได้ความคิดได้ผลงานน้อยกว่าการที่คุณจับพักบ้างและใช้เวลาน้อยลงแต่ว่าผลงานดีขึ้นเจนน้าขอขอเล่านิดนึงถึงความรู้เกี่ยวกับสมองนี้เนาะคือ ที่ใช้ในการคิดกิดการที่จะอยู่ภากเคือสมองในในส่วนหน้าของมนุษย์เนี่ยเป็นสมองส่วนที่สําคัญมากที่เกิดขึ้นในตอนภาวนาเช่นเวลาที่เรากลับมาอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันมีการทดลองและพบว่าเวลาที่เรากลับมาอยู่กับลมหายใจลึกๆเนี่ยสมองส่วนนี้จะทํางานและส่วนที่ได้พักเนี่ยสมองสองส่วนนี้จะทํางานพร้อมกันไม่ได้คือส่วนหน้ากับส่วนที่เป็น อเมทิลาร์ที่จดจําโปรแกรมอะไรไว้เยอะมากมันจะทํางานพร้อมกันไม่ได้คราว น, นี้ในส่วนกลางของอเมทิลาร์ที่พอเวลาที่ถูกต่อเชื่อมสมมติว่าตอนที่เราแล่นเครื่องบินขึ้นอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยมันก็จะเริ่มใช้ความทรงจํำเดิมๆสัญญ า, าเดิมๆเนี่ยมาต่อวงจรเพื่อพาเราคิดแล้วมันก็ต่อต่อต่ อ, ต, อ, ต, อต่อไปพอจนถึงระยะเวลาประมาณมนึงก็คือประมาณเกือบเกือบชั่วโมง มันก็จะถูกต่อเต็มไปหมดเลยแล้วก็เกิดความคิดขยะเยอะขึ้นสุดท้ายไอ้สิ่งที่เราคิดอยู่ในหัวเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพเลยเพราะมันถูกเหมือนกับนึกนึกออกมาจากวงจรที่มันเคลียร์แล้วเราค่อยค่อยคิดทุกอย่างมันก็จะค่อยๆต่อวงจรแต่พอเราปล่อยให้มันเขาเรียวกว่าออโต้พายโดเนี่ยมันจะต่อไปครับเดี๋ยวก็ต่อนนู่นต้อนนีต้อนนี่นนแล้วมันมีวงจรที่ถูกต่อเ น, นี่อยอุดเต็มไปหมดและตอนนั้นแหละที่ความคิดลบๆจะทํางานได้ง่ายมาก ประสิทธิภาพในการคิดจะน้อยลงแต่พอเรารู้ตัวเนี่ยการที่เราหยุดแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจยตรงนั้นจะค่อยๆหยุดทํา ง, งานแล้วก็ให้ฟันพระโหนดทํา ง, งานฟันพระโหนดจะทํางานได้นีมันเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์เท่า น, นั้นเพียงผ่อ ง, องันเดียวที่ใช้ในการภาวนาก็คือการที่เราได้หยุดอยู่กรบลมหาใจหยุดหยุดการภาวนาสร้างจิตที่เมตตาสร้างสภาวะพิเศษของความเป็นมนุษย์นี่ย ตรงนี้จะทํางานพอทํางานปุ๊บตรงนั้นมันจะค่อยๆดับๆับๆับดับ ด, บ ด, บดบเราเบรคเนี่ยอยู่กับลงหายใจแต่ก็มีช่วงหนึ่งที่ครูก็เหมือนคนคนที่แบบเหมือนบ้าๆหน่อยเนาะคือเอาจิตมาอยู่กับกายจะเปิดไฟก็พอหยุดพอหยุดเองปุ๊บไม่อยากคิดอะ่ะก็จะแบบมาฝึกรู้ตัวฉันกําลังจะเปิดไฟฉันกําลังจะแปลงสันฉันกําลังกินน้ําแล้วก็เอาจิตมาอยู่ที่ริมฝี ป, ปากที่จิตน้ํา เราก็อยู่กับกาเรื่อยๆแล้วพอกลางหลักพอสมองมันคลายปุ๊บพอเรามาคิดและอ่านหนังสือใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นวงจรที่สดใหม่มากแล้วมันจะทํางานการที่ได้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เรายื้อมันไปนเรื่อยๆดนัน้เวลาที่เราใช้การภาวนาหยุดพักอยู่กับกายหยุดทิ้เต็มเนี่ยและลงจอดเต็มเราจะได้ความสดใหม่ได้พลังได้ลมหายใจที่แบบว่าเหมือนได้เติมเต็มชีวิตให้กับเรา แงานหรือการทําอะไรเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากเราจะไม่มีความตดขยะเยอะแล้วบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองทํางานไปถึงทีหนึ่งตีสอง ต, สองตีสามนะแล้วคิดว่าเวมร์มันเวมร์น้อยมากเมื่อก่อนเวลาที่เครียดเนี่ยบางทีต้องออกเดินไปไปทํานู่นทํานี่ก่อนแล้วก็กลับมาแล้วก็มาอ่านต่ออยากจะบี้ตะบังเพราะว่าพอตะบี้ตะบังเนี่ยตัวเองดิแล้วไม่รู้ตัว แล้วไม่ได้อะไรเลยเสียสุขภาพอีกจริงๆเขาบอกว่าเราเนี่ยไม่ควรจะนอนเกินเที่ยงคืนเวลาที่เรานอนเกินเที่ยงคืนเรากำลังใช้พลังชีวิตของอนาคตมาเพราะฉะนั้นเราจะมีพลังที่ถดถอนลงการที่ของเราก็ตกต่ําลงบางคนแบบเพื่อนเนี่ยบางทีก็บอกว่าเขาอ่ า, หานหนังสือได้ีตอนตอนีนสองตีสามเนาะก็มีมั้งเนี่ยแต่ว่า เออไม่ได้แต่กูเป็นคนที่ว่าถ้าพออา่านหนังสือเนี่ยในห้องเนี่ยเมื่ อ, อก่อนเรีย น, นยเรียนปัญญาเดี๋ยวเพื่อนมันชอบมาเมาที่ห้องมีรู้เป็นอะไรเพราะมันแบบคือมันอยู่เป็นหอเราอยู่หอนอกไแล้วก็เป็นมีบ้านอ่ะแล้วแกเอย่างไม่ค่อ ย, อยมีเพื่อนผู้หญิงเด็กผูชายบางทีมันก็มาเมาแล้วบอกเออแกจะกินแกก็ ก, กินไปฉันจะอา่านหนังสือแล้วก็สามารถนั่งอา่านหนังสือท่ามกลางคนเมาได้อ่ะมันจะร้องเพลงมันจะอะไรเนี้ยเราก็จะแบบ อย่งเงี้บอกเพราะว่ามัน d ด a d l yeah. i n e เนี่ยถ้าฉันไม่อ่านหืนนี้ต้องตายเพราะฉันโลกแก่ฉันจะอ่านหนังสือเราก็แบบอ่านแบบเออเดี๋ยวว่ามันพอเราเบรกเนี่ยแล้วเราก็มาคุยๆนิดนึง้บอกว่าพนแล้วฉันจะอ่านหนังสืออย่าเงี้ยมันต้องมันต้องเบรกอ่ะพอเบรกแล้วมันจะหยุดวงจรเดิมแล้วก็ค่อยๆคลายตัวแล้วเดี๋ยวก็จะต้องวงจรใหม่ก็จะมีกระสุนติดข้าวอันนี้เป็นงานวิจัยเนี่ยนะคะเดี๋ยวว่า วิชาการจะชอบชอบทางวิชาการยังไงก็อย่าลืมนะลมหายใจเนี่ยเราทําอะไรเรียกว่าลมพิเศษนะลมธรรมดาเนี่ยถ้าเราจดจ่อใส่ใจกับมันนะมันจะกลายเป็นลมพิเศษสามารถจะพัดเอาสิ่งที่หนักองหนักใจให้ออกไปจากอกเราได้สามารถจะดับความรุ่มร้อนในใจให้สงบเย็นสามารถจะ ทำให้ความกดดันบีขั้นมันที่คลายทุกวันนี้เราหายใจแบบทิ้งทิ้ ง, ง, งว้างๆนะไม่ได้ใช้ประโยชน์มันแต่ถ้าเราเปลี่ยนให้เป็นลมพิเศษเนี่ยมันจะมีนิสัสูงมากช่วยผ่อนคลายแล้วก็ช่วยในการปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเรื่องการการวางใจนี่สำคัญนะ แม้เราจะมีจุดมุ่งหมายที่ดีแต่การวางใจก็จำเป็นและสำคัญนะเมื่อกี้ที่ทมาพูดมาหลายอย่างก็เป็นเรื่องของการวางใจทั้งนั้นเรื่องการเอาใจอยู่กับปัจจุบันอย่าไปหมกมุ่นกับอนาคตมากการให้ความสำคัญกับงานที่เรากำลังทาในแต่ละขณะแต่ละขนะ สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้อย่างหนึงคือการปล่อยวางความคาดหวงังนะความคาดหวังเนี่ยมันก็ดีที่ทำให้เรามีดรายมีแรงพักแต่หลายจุด ก, ก็ทําให้เราทุกข์ด้วยคนทุกวันนี้เนี่ยแค่รถติดเดี๋ยวนี้ก็ทุกข์ละอยู่ที่นี่ไม่ค่อยไม่ค่อยติดนะกรุงเทพรถติดมากแต่ที่ทุกข์เนี่ยไม่ใช่เพราะรถมันติดนะแต่เป็นเพราะความคาดหวงัง คาดหวังที่จะไปถึงที่หมายเร็วๆเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงถ้าคุณไม่มีความคาดหวังว่าจะ ต, ต้องถึงที่หมายเร็วๆนะหรือไม่วิตกว่าถึงที่หมายช้าแล้วจะไม่ได้จะประชุมไม่ทันไปโรงเรียนสายถ้าคุณวางความคาดหวังแล้วคุณอาจาใจอยู่กับปัจจุบันนะรถติดก็ไม่ทําให้คุณทุกข์ แล้วคุณก็สามารถจะใช้ใจที่สบายเนี่ยในการทําประโยชน์ในระหว่างที่รอไฟแดงอาจจะอ่านหนังสืออาจจะทําสมาธิก็ได้และถ้าคุณใช้มันเป็นเนี่ยก็สามารถทําให้คุณสามารถทํางานที่ยากสามารถช่วยคุณมีความเพียรพยายามอย่างที่นึกไม่ถึงก็ได้อาตมานึกถึง คุณป้าชาวเกาหลีคนหนึ่งนะพวกเราจะเคยได้ยินเรื่องราวนี้อาตมาได้เรื่อ ง, งอาราวแกประมาณปีห้าสองเดือนกุมภาคุณป้าเกาหลีคนนี้แกแกขายผักแล้วต่ก่อนเนี่ยก็มีรถคนผักส่งส่งผักให้แกตอนหลังเนี่ยคงไม่มีหาคนคงหาคนขับไม่ได้แกก็เลยตั้งใจจะขับรถเองแต่ว่าแกต้องมีใบขับขี่ แกแบคคีเนี่ยนะก็ไปสอบสอบนี่มันมี2 ส, ส่วนสอบภาคปฏิบัติและสอบภาคทฤษฎีปฏิบัตินี่แกได้แต่ทฤษฎีนี่นะมันมีคาตอบอยู่หมันมีคำถาม50ข้อแกไม่เคยตอบได้ถึง30ข้อเลยอธตบาที่เรื่องราวแกเด็กกุมภาเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นแกสอบมาแล้วเจ็บห้าครั้ง7 7็หครั้งงนะ เป่นไปได้ยังไงนะคนอย่างนี้หาไม่ได้ในเมืองไทยนะเพราะคนในเมืองไทยเนี่ยสอบครั้งเดียวไม่ได้ก็ซื้อและหรือแม่ก็ใช้เส้นและ้ะ <c oughs> แต่เกาหลีมันแม่นิยายนุณซื้อและใช้เส้นคุณต้องใช้ความสามารถคุณเองคนอย่างนี้เนะี่ยมีได้แต่เฉาเกาหลีแล้วก็ประเทศอย่างญี่ปุ่นหรืออาจจะเยอรมันเพราะว่ามันแม่นีิให้นุ้ยใช้ทางรักนะคนอย่างนี้มีเมืองไทยได้ยาก เพราะว่ามันมีแต่สิ่งที่ย่วยๆคุณใช้ทางรัดใช้เส้นและใช้เงินไม่ใช่ความเพียรแกยังสอนนะปตามาไม่ได้ข่าวอีกทีว่าเดินมักคือพุทธจิตปีห้าสองแกสอบได้แล้วหลังจากที่สอบไปแล้วเก้ารห้าสิบครั้งนั่นคือแกสอบวันเด็นวันสี่สี่ใช่หรือสี่ปีคุณลองนึกภาพที่คนที่ เพียงแค่ไปกับคีเนี่ยคุณไม่ทิ้งความเพียรเนี่ย995ครั้งเนี่ยแล้วลองคิดต่อไปว่าแกทําได้ยังไงแกมีความข ย, ยันแบบนี้ได้ยังไงอรตมาคิดว่านะมองจากมุมของอรตมาเนะแกทําให้ได้เนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่าแกไม่ยึดมั่นถือมั่กับความสําเร็จกับความคาดหวังเพราะถ้าแกคาดหวังมากแล้วแกสอบไม่ได้เนี่ยสิบครั้งแกก็เลิกแล้วคนที่คนที่สอบใบกับคี เป็นพันครั้งได้เลยนะมันต้องไม่มีความยึดมั่นถึงมันต้องมีความปล่อยวางในระดับหนึ่งคือสอบไม่ได้ก็ช่างมันก็สอบใหม่เพราะถ้ามีความยึดมั่นนะยิ่งยึดมั่นเท่าไหร่สอบไม่ได้ก็จะผิดหวังมากเท่านั้นแล้วคนเราเนี่ยถ้าผิดหวังมากๆเนี่ยมันผิดหวังได้ไม่เกินเอาให้เลอไม่เกินร้อยครั้งแต่เป็นไปไม่ได้ปกติผิดหวังมากๆเนี่ยสิบครั้งก็เลิกแล้ว ยิ่งผิดหวังมากก็ยิ่งท้อแท้มากและยิ่งผิดหวังมากก็เพราะว่ายึดมั่นมากแต่คุณป้านี่แกแกทาเต็มที่นะแต่ว่าแกทาด้วยใจที่ปล่อยวางในระดับหนึ่งและเพราะปล่อยวางนี่แหละที่ทาให้แกสามารถจะเพียนได้อย่างต่อเนื่องเห็นไหมคือเราไปคิดว่าเดี๋ยวไปคิดว่าไอ การปล่อยวางเนี่ยนะมันจะเป็นตัวขัดขวางความเพียรพยายามนะบางทีมันส่งเสริมนะส่งเสริมให้เพียรไม่หยุดนะเพราะว่ามันไม่ถูกกัดก่อนด้วยความท้อแท้นะไม่ถูกกัดก่อนด้วยความท้อแท้และที่ท้อแทะเพราะอะไรนะก็เพราะว่ายึดมั่นถือมันมานะท่านสมาธิว่า อ, อ ทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสเนี่ยเป็นไปได้นะไม่ใช่ว่าไม่ต้องซีเรียสจะมี ท, ทเต็มที่ต้นข้ามซีเรียสเนี่ยมันทำให้ใหมันทำมันช่วยทําให้ทําเต็มที่ได้นในระดับหนึ่งและถ้ามันไม่ประสบความสําเร็จมันก็ท้อแล้วก็หยุดแต่เพราะไม่ซีเรียสเอถึงทําได้เรื่อยๆใช่ไหมถึงถึงไม่ถึงไม่ถูกกัดกร่อนด้วยความล้มเหลว ร่มเร็วแล้วรุนเร็วอีกก็ยังทําต่อไปทําต่อไปก็เพรไม่สีเลี่กงใช่ไหมเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยธรรมาปฏิบัติธรรมเนี่ยกับหลวงพ่อเทียนี่ยประโยชนเล็กๆที่ท่านบอกก็คือว่าทําเล่นๆแต่ทําจริงๆนะทําเล่นๆแต่ทําจริงๆนะทาเล่นๆคือว่ามันทําได้บ้างไม่ได้บ้างก็ช่างมันฟุ้งบ้างหลงบ้างก็ช่างมัน แต่ทําตั้งแต่เช้าจนเย็นนะทําแต่เช้าจนค่ําเลยนะทำเล่นๆแต่ทําจริงเนี่ยดูเหมือนเป็นคนเป็นอปอร์สิตกันตรงข้ามกันทีจริงมันไปด้วยกันได้แล้วมันเสริมกันด้วยซ้ําังนั้นทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสนี่นะดูเหมือนตรงข้ามกปไปไม่ได้แต่จริงมันเป็นไปได้แล้วมันเสริมกันด้วยนะคุณลองเรียนแบบไม่ซีเรียสดูบ้างไม่ซีเรียสในความที่ปล่อยวางนะปล่อยวางความคาดหวงังนะ เอาปัจจุบันมาแทนอนาคตคือหมายถึงว่าไม่ต้องจดจอ่ออนาคตจดจอ่อปัจจุบันเอาความสนุกเอาชันทะมาแทนความซีเรียสนะแล้วคุณก็จะสามารถที่จะเดินหน้าไปได้เรื่อยๆอาจจะไม่เร็วนะแต่ว่ามันก็ไปไม่หยุดไปได้เรื่อยๆแล้วก็ถึงที่หมายได้เองถ้าหาว่าคุณไม่หยุดแล้วคุณรู้จักคอย มันถึงแน่วันี้พวกเรารู้นะว่าปล่อยวางคือปล่อยวางจุดหมายก่อนปล่อยวางความเครียดปล่อยวางความกังวลเนาะแต่ไม่ใช่ปล่อยวางงานนะหรปล่อยวางรายงานถามว่าทำไมไม่ทำรายงานปล่อยวางอีกเช่นนึงได้อีกเชนหนึ่งคำถามค่ะ คะแล้วเดี๋ยวเราจะากไมเดียวตัวอย่างที่ได้จใตัวอย่างนั้นที่คหลีค่ะสอบวันเว้นวันคือมองว่ามันไม่ใช่การดับพลังใช่ไหคะค่ะคือทาไมถึงไม่หยุดแลวกลับมาทบทวนว่าอะไรที่เข้าผิดปากแล้วเราแก้ไขต่อไปมันอาจจะไม่ถึงเ้าร้อยั้อันนั้นก็ ก็เป็นไปได้แต่คงไม่ใช่ดันทุนหลังหรอกแกก็คงจะทบทวนว่าแกผิดพลาดตรงไหนใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากแกมีอาจจะมีความสามารถในการจําได้น้อยมากแกก็เลยสอบไดไไ้ไม่ถึง30ข้อสักทีเงี้ยนะซึ่งแล้วเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นแบบพวกเราเนี่ยเราจะสอบไม่ไม่ไม่มากขนาดนั้นนะเพราะความจําเราดีนะอันนี้ก็จะเป็นข้อบุคคลองแกแต่ในแง่ของการ ที่แกมีความเพียรอันนี้เป็นเรื่องที่น่านําถือและถามว่าทําไมแกเพียนได้ขนาดนั้นมุมอมอตมาคือว่าแกปล่อยวางในระดับหนึงทีนี้มันจะมีมันเหมือนมันมีช่องว่างหรือว่าเส้นบางๆระหว่างดันทุรังกับความเพียรสูงใช่คือดันทุรังนี่ก็คือว่าทํายังไงก็ไม่สําเร็จนะอันนี้เนี่ยเราก็ต้องต้องใช้ปัญญาเหมือนกัน นะแต่ว่าประสบการณ์แกคงจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าเพียรแล้วมันสำเร็จนะเพราะว่าใครๆก็สอบได้กันทั้งนั้นถ้าเราเพียรเราก็จะสอบได้นะ mm hmm. บางอย่างเนี่ยมันพูดยากนะว่าหลายอย่างที่คนเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยเช่นเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยไม่มีใครคิดเลยนะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะห่อเหอินเดินอากาศได้สมัยที่ออวิ i ไลท์เนี่ยวิวเบอร์ไลท์เนี่ยผลิตนี่เกือบนี่ร้อยปีกว่าแล้วมังที่เขาผลิต เครื่องบินเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยมันน้อยคนมากที่จะบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยจะเหาะเหนเดินอากาศได้แต่ว่าพี่น้อตระกูลไร้ไม่เชื่อใช่ไหมฮะเพราะนั่นเนี่ยบางทีเราก็บอกพูดพูดไม่ได้ยอะพูดไม่ได้ว่าตอนที่ยังไม่ประสงคความสาเร็จเนี่ยตระกูลไร้เนี่ยเขาดันทุนลังหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าประวัติศาสตร์ได้สอนให้เรารู้ว่าเขาไม่ได้ดันทุนลังเขาทาในสิ่งที่คนคิดไม่ถึงเท่านั้นเอง T ิ้งกิ้งกิ้งติอันทิ้งคับเบิลใช่ไหมดันั้นมันยากนะที่เราจะบอกว่าอะไรคือการดันทุนลังในสิ่งที่ไม่มีทางสําเร็จกับอะไรคือการทําในสิ่งยากให้สําเร็จได้เราไม่มีคนเราเนี่ยถ้าเรามีความสามารถในการรู้นะแยกแยะสองอย่างได้นี่โชคดีมากเลยก็มีบทสวดของชาวคริสต์อันนึงบอกว่านะในคอยข้าพเจ้าได้รู้สามารถมีปัญญารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ ไม่อาจทำได้แต่ต้องทำใจยอมรับและอะไรสิ่งที่ทำได้ล้วต้องเพียรพยายามมันเหมือนต้องเกี่ยวเครื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของศรัทธานะคะว่าถ้าเรามีความเพียรคือเราศรัทธาและเราเห็นเป้าหมายว่าเรากำลังเดินไปไหนเราก็ศรัทธากับมันเราก็ยังคงเพียรไปเรื่อยแต่ดันพลังเหนื่อยมันมันเหมือนกับว่ามันม้วยตัวค่ะ มันคือแบบว่าแต่พี่ะัดไปเรื่อยเปลื่ยไย่ลงเนี่ยก็คือกสมมติว่าในความรู้สึกงอ่างันจริงจริงต้องําคุณใหม่เนาะคือหนุมพี่ก็รู้สึกว่าจะเพนสักสิบเอ็ดโมงก็ได้นะไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องถวายเพนแต่สิบโมงครึ่งใช่สิบเอ็ดโมงใช่โอเค นั้นยัได้คำถามอยูนนะ่นะแต่เดี๋ยวเราก็ค่อ ย, ยนะอคุดไปใเมื่อวานมีใครมาถามคูณส่วนตัวแล้วก็บอกว่าน่าจะถามาอา๋อโอเคจ้ะเชิจ้ะจะถามไหมคะอ๋อจะถามคเอ่อจะถามผู้จ่ว่าที่ผูจายพูดมาถ้าเป็นสรุปรวระส่ไม่ใช่หลักอุทิศาเฉลิมบาร์ฉันทาเรียใช่อา่าฉันทาเนี่เป็นเป็นเป็นตัวเริ่มต้น พรถ้ามีสันทะละวิริยะมันมาเองและวิริยะเนี่ยเมื่อมาเองแล้วเนี่ยจิตมันก็จดจด่จอจิตตัดว่าจดจอ่อถ้าเรามีความรับในสิ่งใดเราก็จะมีความเพียรในสิ่งนั้นแล้วมันก็จะจิตใจจดจอ่อใช่ไหมมีแรมาดึงให้เขวก็ก็จะเขวน้อยแล้วก็วิมังสาคือว่าเนื่องจากมีฉันท้าคืออย่าทําให้มันดี ก็จะพยายามสอดส่องดูว่ามันมีอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงบ้างอันนี้คือวิบังศาวิบังศาคือสอดส่องไข้ครวญใตรองเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งถ้ามีวิบังศาจริงๆนะเราจะเปิดรับคำวิจาร์เราจะเปิดรับคำวิจาร์ใครวิจารณมาเนี่ยนะโอ้เราชอบเพราะว่ามันทำให้เราเห็นข้อบกพร่องและทําให้เราอยากจะแก้ไข เราจะมีเราจะเราจะมีความรู้สึกบวกต่อควาวิจารณ์ซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีน้อยลงเพราะขาวิมังษาอัต่อมาเมื่อกลับไปที่เรื่องฉันท่าคือความใฝ่รู้นะใฝ่รู้เนี่ยมันก็คือรักที่จะรู้และไม่ว่าจะมีความรู้ด้วยวิธีการใดก็ยินดีแม้ความรู้นั้นจะได้มาจากการถูกวิาวิจารณ์หรือแม้กระทั่งการการการ เรียกว่าอะไรการถักล้างที่มหาวิทยาลัยรมาตรจมรบิดอ็อกซฟอร์ดนี่นะมีศาสตราจารย์ด้านสูรุจีนะสัตววิทยาอันนี้ประมาณสักเจ80ปีที่แล้วนะแกเป็นศาสตราจารย์ที่ใหญ่มากนะแล้วก็แกก็มีประเด็นหนึ่งที่แกแกซีเรียสมากเลยแล้วกแกเขียนแกบรรยายแกแก ทำวิจัยเนี่ยคือมันมีมันสมัยนั้นเนี่ยมันมีความมีทฤษฎีว่าในเซลล์เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าโกกิยอารัตัสในเซลล์นี่นะาศาสตราจารย์คนนี้บอกว่ามันไม่มีจริงมันเป็นความเข้าใจผิดแกก็เขียนแกก็บรรยายแกก็พูดเนี่ยมาสิบ้าปีแล้ววันหนึ่งเนี่ยมีอาจารย์หนุ่มจากอเมริกามาที่คณะแกมาบรรยายเรื่องนี้เลยนะแกก็มาฟัง และอาจารย์หนุ่มคนนั้นเนี่ยนะสามารถจะเอาข้อมูลหลักฐานเนี่ยมาม า, มาลําดับเป็นฉ า, า, า, า, า, า, า, ากชาชาหรือว่าโกยเอภรัสมีจริงโอ้มันหักหน้ามันมันหักล้างสิ่งที่แก่สิ่งที่แกพูดมาตลอดนะอาจารย์คนนั้นนะาศาสตราจารย์คนนั้นเนี่ยบอกว่าพออาจารย์หนุ่มคนนั้นพูดเสร็จนะแกเดินไปที่โพเดียมขย่ามือเช็ดแหงบอกพ่อหนุ่มขอบคุณมาก ผมผิดไปถึงผมครึ่งร้ว่เนี่ยผิดไปนานถึปีโอแกไม่รู้สึกเสียหน้าเลยนะแกเป็นาศาสตราจารย์นะได้หนุม่มคนนี้มาจางไหนอเมริกันแล้วสิ่งที่ห น, หนุ่มคนนั้นทำเนี่ยคือหักล้างแต่แกไม่รู้สึกว่าหักหน้าเนี่ยเราต้องแยกออกนะระหว่างหักล้างความคิดกับหักหน้าเนี่ยอาจารย์คนนี้ไม่มีความรู้สึกว่าหักหน้าเลยแกกลไปขอบคุณเขาพ่ออะไรพ่อว่าแกถือเอาความรู้เป็นตัวตั้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้มาทางไหนก็ตามแม้จะเป็นมาจากคําวิพากษ์วิจารณ์หรือมาจากการหักล้างแกก็ต้อนรับโอนี่แหละคือความเป็นนักวิชาการอันนี้แหละคือ professionalism เนีก็คือว่าเอาความรู้เป็นหลักใช่ไหมและถ้าเรามีแบบนี้นะเราจะไม่ทุกข์กับการวิพากษ์วิจารณ์และตรงนี้คือความหมายนของวิมังษานะแต่เที่มา พูดเพิ่มเติมขึ้นไปนอกจากอธิบาตเสียหรือว่าตัวชันท่าคือสตินะสติช่วยทําให้เราเนี่ยทำงานอย่างปล่อยวางได้เดินอย่างปล่อยวางได้นะเพราะว่าเมื่อไร่ก็ตามทิ่ใจเราไปเผลอไปอยู่กับอนาคตไปจดจ่ออยู่ที่เป้าหมายถูกครอบงาด้วยความคาดหวังสติจะรู้ทันจะช่วยเรารู้ทันแล้วสติทำให้จะทําให้เราปล่อยวางทําให้จิตปล่อยวางแล้วกลับมาสู่ปัจจุบันกลับมาสู่งานทีรทำ ซึ่งจะทำให้ความวิตกน้อยลงความเครียดน้อยลงความกังวลน้อยลงและถึงเวลาพักก็พักแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่เฟรชด้วยสมองที่สดนะที่อาจารย์พูดถนจะเป็นกรีจะขอเสริมที่น้องเขามีปัญหาเรื่องความคิดคือแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยเคยเป็นว่าถ้าเครียดมากจะหน้ามองแต่ตัวเองรู้หรกว่าตัวเองเครียดอสังเกตตัวเองว่ามันเครียดมากเลยคือถ้ามีการหน้าหอรแล้วว่าจะคิดอะไร ก็เลยมาเริ่มฝึกสมาธิค่ะก็แล้วประมาเจ้าเดือนแล้วรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นอาการที่แบบเรา้สึกเครียดง่ายหรือว่าหมองง่กิดก็แเรล่นนนหายค่ะพอเที่เราเครียดตืน่ยรู้สึกแว่าพอปุ๊บแล้วสั้นมันจมันรู้วาเราหายใจ่อแล้วแบบอาการจะป่วยมังจะหายหายไปคือคืออยากจะแนะนาให้ให้ระวังว่าคือดูขอ าาอาย่ชคือเราเป็นคนพูดเราน่าจะรู้วิธีแบบเอาสิ่งนี้มาใช้กแบบับชีวิตประจำวันคือขอให้แบบลองทําด้วยันคือแบบที่พระอาจารย์พูดก็คือว่าให้ทาไปก่อนแบบจะอยู่จะฟุ้งหรือไม่ฟุ้งกอให้ลองทำไปก่อนแล้วแบบมันจะค่อยๆดีขึ้นมาอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัว คุณจะทำก่อนนอนหรือว่าตื่นนอนแล้วมาทำก็ได้สักห้นาทีหรือว่าจะทำในช่วงที่รู้สึกว่ามันล้ามันเครียดนะจะทำในห้องสมุดก็ได้นะจะทำในชั้นเรียนก็ได้ฟังอาจารย์บรรยายแล้วโอ๊ยไม่ไหวแล้วล้าหรือเกินนะเพราะเราต้องจดจอ่อมันมากจนจิตมันล้าเราก็หลับตาเบาๆแล้วก็ตามลมหายใจเข้าออกสักส0บครั้ง แล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่คนเราเนี่ยเวลาทุกเราลืมเราไม่รู้ตัวว่าเราทุกข์นะเช่นที่คุณว่าเนี่ยแน่นหน้าอกเนี่ยแน่นอกนี่ไม่รู้ตัวนะหรือว่าเครียดลาเนี่ยไม่รู้ตัวนะมันจะรู้ตัวเป็นพักๆเป็นแว๊บๆแต่ถ้ามีสติเนี่ยทำให้เรารู้ตัวได้ชัดขึ้นแล้วเราก็จะรู้ต่อไปว่าจะทําอย่างไรเช่นพักกลมาตามลมหายใจไปล้างหน้าเดินเล่นในสวนนะ ให้ใจปลอดโปร่งช่วยได้เยอะนะเวลาคุณอยู่ในห้องสมุดเนี่ ย, ยในห้องเนี่ยบรรยากาศที่แออัดหรือว่าถุมๆเนี่ยนะแล้วพอเครียดเนี่ยพอคุณออกไปข้า ง, างนอกเนี่ยมองฟ้าฟ้าที่กว้างเนี่ยมันมันช่วยเปิดใจคุณให้โล่งไปด้วยนะเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันก็เป็นที่รู้กันนะว่าถ้าเครียด ม, มาแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็มองฟ้ามองอะไรให้ไกลๆ ก, กว้าง จิตใจจะโปร่งโล่ ง, ลงนะออกซิเจนจะเข้ามาหล่อเลี้ยงสมองให้ทำงานดีขึ้นแล้วก็กลับเข้าไปใหม่ หนึ่งก็อาจจะยอมรับคำคุ้มข่าไม่ได้แล้วก็อีกด้านนึงมันก็จะเป็นเหมือนว่าเราก็จะมีทิฏฐิขอรว่าเราตั้งใจทําไนสถึงแล้วแล้วเราก็อาจจะรู้สึกแบบรู้ึเหมือนเวลามีใครมาให้ตานเราก็อาจะมีความทูกกับคําพูดตรงนั้นนะคะเพราะว่าเราก็เหมือนเราทําเต็มที่ไปแล้วแต่ว่ามันมันก็คือเป็นทิถีส่วนตัวของเราด้วยว่าเราก็อาจจะโอเคเราก็ฟงังแต่สอดคล้องแล้ววมีความทุกข์กับ คำพูดเห่านั้อะไรเงี้ยค่ะคะืออยากทำอาจารย์ว่าตรงไหนที่เป็นตรงกลางว่าเรากวนจะหาจุดตรงกล า, างยังไงอะคะ่ะที่เราจะวามแล้วเราไม่เกิดความทุกแล้วเราก็บางบา ง, บางคำพิจารมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคําพูดที่แบบถูกต้องเสมอไปนะคะถึงว่าเราจะพิจารณ า, าอย่างนันนนน้นได้ยังไงวิธีการพิจารณาอะที่ที่ปฏิบัติอะค่ะมันเป็นเรื่องการวางใจมากกว่านะว่าให้เราที่เราทุกข์เพราะเรามีความยึดติดในตัวกูของกูองตอนนั้นเนี่ยตัวกูถูกกระทบ พอเราไปยึดมาเนี่ยความคิดของกูความคิดของกูเนี่ยพอเขาเขาวิพาก ค, ความคิดนี้เราก็รูสกว่ากระทบตัวกูนะตรงนี้มันทำให้ทุกข์และมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะ ไ, ไรเลยเนะแต่ถ้าเกิดว่าเราแทนที่จะเอาตั ว, เ อ, ตวเอาตัวกูขึ้นมาออกรับเนี่ยเราเอาปัญญาวิมังสาออกรับเนี่ยเราจะได้เราจะเกิดปัญญาไอ้ความทุกข์เนี่ยนะมันมัน ถ้าเป็นความทุกข์ใจแล้วเนี่ยมันมักจะหนีไม่พ้ น, นเรื่องตัวกูของกูไปยึดมั่นนะนั่นเนี่ยแล้วมันเป็นตัวที่ขัดขวางไม่ให้เรายอมรับหรือตใ่ตรองความวิพากวิจารณนั้นนะอีอย่างหนึ่งก็คือพยายามมองพยายามมองในแง่ดีว่าความวิพากวิจารเนี่ยมันมีข้อ ด, ดีอะไรบ้างอันนี้เรือมองบวกใช่ไหมเนมี่ยน้อยๆเนี่ยมันก็ฝึกให้เราอดทนนะฝึกใจเราให้อดทน หรืว่าดีกว่านะั้นคือมันทําให้เราเนี่ยได้ได้เห็นช่องอะไรมากขึ้นมันมีนักวิจารณ์มันมีนักโฆษณ า, าหนังคนเมืองไทยคนหนึ่งนะซึ่งมีชื่อมากได้รางวัลเยอะแยะหมดตัวเขาเองเนี่ยเฉพาะรางวัลที่เขาได้รับคนเดียวนี่นะมันมากกว่ารางวัลของบางประเทศที่ได้รับทางประเทศศึเช่นญี่ปุ่นนะแล้วเวลาเขาเวลาเขาเสนอผลงานโฆษณาเนี่ยเขาต้องผ่านแค่กอบอวอนะ เมืองไทยมันมีกรรม ก, การที่คอยติดโฆษณาแล้วโฆษณานี่บางครั้งก็ไม่ผ่านนะเขาก็โกรธนะเพราะเขาสุ่ยคำคำแนะนําคําวิจารณ์ของไอ้กบวนี่นะมันไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยที่เขากลับมาดูมันใหม่เนี่ยเ้าได้แง่คิดที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะเ <นะ S 2> ขาอาไม่ได้ปรับปรุงไปตามคําแนะนําของกบวานะแต่ว่าเขากลับมาดูใหม่แล้วเขเออ มันมีที่ต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นแ้วมันก็ดีจริงๆงนะเขาก็เลยพวกนี้เวลาเวลาเรานำเสนอผลงานอะไรไปเนี่ยนะแล้วเขามันก็เป็นหน้าที่ของเขาต้องวิจารณ์นะแล้วก็ก็เป็นธรรมดาที่เราต้องโกรธแต่อย่ากโกรธนานให้กลับมาให้กลับมาปรับปรุงให้มันดีขึ้น <c oughs> แต่ถ้าคุณวางวางคิดวางใจถึงขั้นว่าตัวกรูของกูน้อยลมนะ มันก็จะทำให้คุณมีความทุกน้อยเรื่องการอาจารย์ศาสตราจารย์คนนั้นเนี่ยแกเอาเอาความรู้เป็นใหญ่หน้าหน้าตาเนี่ยเป็นลองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่แกได้ความรู้แกจะมีความสุขนะแล้วแกจะไม่รู้สึกทุกเพราะเสียหน้านะแล้นเนี่ยก็ลองลองรู้เท่าทันนะไอ ความรู้สึกว่ามีตัวกูของกูอาตมาอยากจะเปรียบเทียบ น, นะคําวิจารเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งคําตอบว่าด่าทอเนี่ยมันเหมือนทุเรียนนะทุเรียนยนี่หนามมันแหลมใช่ไหมเวลาคุณเจอหนามทุเรียนทิ่มเนี่ยคุณทิ้งถูคุณทิ้งรูทุเรียนหรืป่าถ้าคุณเจอหํานหําทุเรียนทิ่มเนี่ยบอกอเจ็บเว้ยทิ้งมาไม่ดีกว่าอย่างนี้เราฉลาดไหมนะ คนฉลาดเนี่ยถึงแมท้ทุเรียนมันจะไม่อยอถูกน้ําทุเรียนทิ่มจนเลือกออกซิบๆนะแต่เขาไม่ทิ้งมันหรอกสิ่งที่ควรทาคืออะไรก็คือผ่าบอ ก, อบอกเปลือกเอาหนาทุเรียนออกเพรข้างในมันมีเนื้อก็เอาน้ําทุเรียนทิ้งไปแล้วก็เอาเนื้อมากินใช่ไหมในสถานกันเวลาใครคว้างทุเรียนใส่เราเนี่ยหน้าที่ที่เราควรทาคือหลบไม่ใช่เอาหน้ารับนะเมื่อหลบแล้วเนี่ย นะเราคุณทํำไมกับทุเรียนนั้นเอาทุเรียนนั้นคว้างกลับไปหรือเปล่าไม่เราก็ฉอะทุเรียนกิ น, กนความวิจารณ์อย่างใดก็อย่างนั้นเลยคุณนะเขาคว้างมาคุณหลบเลยยาอาตัวกูรับใช่ไหมแล้วก็เอากลับมาเอาทุเรียนนั้นมามาดูว่าเออข้างในเนี่ยนะปเปลือกมันออกข้างในเนี่ ย, ยนะลองมองคาําความวิทยาศาสตร์แบบนี้บ้างนะแน่นอนทุเรียนบางลูกเนี่นะ เนื้อมันก็ไม่มากแต่ทุเรียนบางลูกเนื้อมันเยอะจริงนะอร่อยด้วยนะเราไม่รู้เราไม่รู้นะว่าเนื้อเนี่ยมันแต่และลูกแต่ละลูกเหมือนกันไหมแต่มันมีเนื้อแน่นอนนะเราก็ต้องหน่าทึ่งเราเครือฉอดเปลือกออกแล้วก็หาเนื้อมาเคี้ยวกินนะ พวกเราฝึกพอนานกันดีไหค ะ, ะนั่งใครที่น่าใครทีนรน่นั่งขัดสมาธิได้ก็นั่งนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็พับเทียบหรือว่าท่าแต่ก็ตามที่เราสบายคุณถ้าเวลาคุณอยู่บ้านคุณจะนั่งข่อยห้างก็ได้ไม่เพียนั่งเวนั่งข่อยปล่อยขาก็ได้แต่ว่าคนที่ก็ททำมานานๆก็จะพบว่าการนั่งขัดสมาธิเนี่ย จะเป็นท่าที่ดีที่สุดนะเพราะว่า<ม>นั่งในท่านี้เนี่ยตัวคุณจะมาภูเขาเป็นสามเหลี่ยมทําให้คุณเนี่ยรู้สึกมั่นคงแล้วความมั่นคงทางกายเนี่ยมันจะนําไปสู่ความมั่นคงทางจิตใจได้ง่ายนะเราก็เชิญนะหลักตาพริมนะหลักตาพริมยิ้มน้อย ทำกายให้ผ่อนคลายรับรู้ถึงความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นทั่วสารพางกายไล่ความรู้สึกไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเริ่มที่ใบหน้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนคงหรือแต่เพียงรอยยิ้มน้อย รู้สึกถึงความผ่อนคลายที่ต้นคอหัวไหล่แขนและมือทั้งสองข้างจะวางไว้บนตักหรือหัวเข่าก็ได้รู้สึกถึงความผ่อนคลายที่หน้าอกช่องท้องต้นขาและปลายเท้าผ่อนคลายหายใจสบาย น้อมจิตมาที่ลมหายใจรับรู้ถึงลมหายใจที่เข้าและออกสบายๆไม่ต้องถึงกับไปบังคับจิตให้แนบแน่นกับลมหายใจจนรู้สึกเครียดหรืออื่ๆนๆะวางความนคิดต่างๆลงชั่วคราวเรื่องราวที่เราได้ได้ฟังมาตั้งแต่เช้าจนถึงมาสักครูนี้คอยวางเอาไว้ก่อน งานการต่างๆที่เราเราอยู่มากมายเพียงใดสำคัญแค่ไหนก็ขอให้วางเอาไว้ก่อนตอนนี้ให้ตระหนักว่าเรามีกิจอยู่อย่างเดียวก็คือการรับรู้ลมหายใจนี่เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้อยู่กับปัจจุบันวางอดีตและวางอนาคตลงชั่วคราวปัจจุบันเทนานันที่เป็นของจริง และวลมหายใจนั้นก็สามารถเป็นที่พักพิงให้กับจิตใจของเราได้รับรูล้ลมหายใจเบาๆสบายๆหากว่าใจจะเผอฟุง้งหรือว่าแล่นออกไปนอกตัวบ้างก็ไม่เป็นไรเมื่อรู้ตัวว่าเผลอไปก็พาใจกลับมา ไม่ต้องถึงกับไปกดห้ามความคิดหรือไปบังคับจิตให้หยุดคิดเขาจะคิดกับเรื่องของเขาเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้แต่หน้าที่ที่เราควรทำคือรู้ทันใจเวลาเผลอคิดไปรู้แล้วไม่ต้องทาอะไรกับความคิดนั้นเพียงแค่พาจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมารับรู้ลมหายใจ จิตของเราใหม่ๆก็เหมือนกับเด็กที่ใจแตกไม่อยากอยู่บ้านชอบท่องเที่ยวลหลอกระเหินจนกระทั่งบางครั้งก็กระเซาะกระเซิงกลับมาด้วยความเหนื่อยลา้า ค่อยๆนำพาชัก่วนจิตให้กลับมาที่ลมหายใจรับรู้ลมหายใจด้วยความอ่อนโยนให้ถือว่าลมหายใจเป็นบ้านของจิตที่เขาจะได้มาพักพิงเป็นที่ที่จะทัช่วยหายใจในรู้สึกอบอุ่นมั่นคง แม้ว่าใหม่ๆเขาจะไม่ยอมหรือไม่อยากที่จะอยู่ก็จะไปหมุดงิดใส่เขาเขาค่อยทำไปทำด้วยความอ่อนโยนต่อจิตใจของเรา ให้ลองสังเกตร่างกายของเราด้วยเพราะบางครั้งอาจจะเกร็งลงมหายใจจะถี่สั้นหรือว่าเกร็งมือเกร็งเท้าหน้ามีพีรคอมโอดแบ้มปิดปาเมื่อรู้ตัวแล้ว่าผ่อนคลายคลายกันทุกส่วนที่ใบหน้าคลายมือคลายกลามเนื้อที่เท้าหายใจเก็ลึกๆ หายใจยาวๆสักสามสี่ครั้งแล้วกลับมาหายใจปกติหากว่าใจรู้สึกลำคาญหงุดหงิดที่มันคิดไม่หยุดนะก็ให้ลองปรับใจเป็นปกติให้เราเรื่องว่าเป็นธรรมดาของเขาให้เรามี ะความอ่อนโยนต่อใจให้ทำด้วยใจที่ไม่คาดหวังไม่คาดหวังอะไรเลยนอกจากแค่รู้ลมหายใจรู้บ้างไม่รู้บ้างพระพัดเผยเข้าไปในความคิดก็ไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่นเล่นไป